งงนอนอ้าวพี่ น, อน้องอย่าเพิ่งกลับเดี๋ยวค่อยกลับพร้อมกันอย่าเพิ่งไปที่พักเดี๋ยวค่อยไปพร้อมกันอ้าวอัลนาฮรมมหันจะโลกาเอปตินซาัมปติ การอาหารชาดีอาหารที่วรรังอายาจะทานสันติเถิดท้าสานตาปารชังกายาติกัน ja เเสตุทัมมังอนุกรรมปิมังปัชัง <c oughs> นิมอนเดขน่อยท่านทั้งหลายคงจะแปลกใจทำไมอยู่ๆหลวงพ่อบุญมีถึงโผล่ขึ้นมาฮะแปลกใจไหม <c oughs> คงไม่แปลกใจในเมื่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านเมตตาเราก็พร้อมที่จะพูดธรรมะเพื่อบูชาท่านบุปูณมีปริปุนปนโนเอาใครทำธนระเสร็จแล้วรีบขึ้นมาการที่เป็นอุ ด, ดมมงคล คือการที่ฟังอัดฟังธรรมไม่สําคัญว่าค่าไม่สําคัญว่าดึกไม่สําคัญว่าหัวค่าท่ามกลางใกล้สว่างโวคไหนระยะไหนเป็นระยะเป็นเวลาที่เป็นอุดมมงคลทั้งนั้นพวกเรารีบมาเอามองคลเข้าสู่หัวใจต่อโอกาสนี้เป็นโอกาสที่เป็นอุดมมงคลขอถือโอกาสนี้ อ <c oughs> ขอกราบคารวะขอโอกาสพ่อแม่ครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์หมู่เพื่อนสหธรร ม, มิพวกเราทายกทายกาโดยเฉพาะพวกเราก็เป็นสิทธิยานุสิทธิ ลูกหลานของหลวงตาศิทธยานุสิทธิลูกหลานของหลวงปู่บุญมีปริบุญโนซึ่งท่านเป็นเปรียบเสมือนพี่ใหญ่ของพระเราที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้เมื่อวันที่ 12, สิบสองสิงหาที่แล้วเป็นวันครบรอบวาระร้อยสองปีของหลวงตาใช่หรือเปล่า หรือร้อยหนึ่งปีหรือร้อยสองปีอ่าร้อยสองปีเมื่อวันที่แปดกันยายนที่แล้วก็เป็นวาระครบเก้าสิบสองปีห4สิบสี่พรรษาของหลวงปู่ลีกุสละทโรวาระนี้ตอนค่ำวันนี้และพรุ่งนี้ เป็นวาระเป็นอดมมงคลอีกวาระหนึ่งหลวงปู่วุนมีของเราอ่าอายุวัฒนะมงคลของท่านครบรอบเท่าไรแปดสิบแปดแปสเกอ่าครบรอบแปดิบแปดเข้าแปดสบเกพันษาห8ิบแปดหลวงปู่วุนมีของเราเนี่ยก่อนหลวงปู่ดีสี่พันษาใช่ไหม ซึ่งพวกเราศิษยานุศิษย์เราจะเพิกเฉยกับวาระที่เป็นอดมมองคลอย่างนี้ไม่ได้พวกเราต้องหาโอกาสมาร่วมงานนี้ให้ได้พอเรามาแล้วเราก็มีโอกาสให้ทานดําริตั้งใจจะรักษาศีลและก็ตั้งใจสำรวมรมะมัดระวังมาร่วมประกอบพิธีฟังพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์กราบไหว้ครูบาอาจารย์ ไม่เคยเห็นองค์ท่านโอ้คราวนี้ได้เห็นไม่เคยเห็นองค์นี้โอ้คราวนี้ได้เห็นเพราะวันสําคัญเช่นนี้ท่านมารวมกันเราก็ได้กราบก็ได้ว่ายแม่ธรรมภาพก็โผลมาให้เห็นเช่นเดียวกันเพราะเราก็เป็นลูกหลานหลวงตาเป็นลูกหลานของหลวงปู่บุญมีปริปุนโนเป็นพ่ะแม่ครูบาอาจารย์ที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ท่านเป็นหลักเป็นประธาน พวกเราต้องเสียสละมา <c oughs> เราจะเห็นว่าลูกศิษย์ลูกห า, าเป็นลูกเป็นหลานเป็นเหลนของหลวงตาเรียกรวมทั้งหมดเป็นจำนวนมากวันนี้รวมทั้งพระเจ้าประสงค์เป็นจำนวนมากพวกเราญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาเป็นจำนวนมากมาร่วมกันเอามองคนเข้าสู่หัวใจท่าอาจารย์อินทันเมตตาให้ธรรมะเรา เป็นเวลาถึงชั่วโมงครึ่งท่านว่าจะพูดนิดหน่อยแต่ก็แค่ชั่วโมงครึ่งเองอท่านพูดฟังราบเรียบรื่นธรรมกรถึกชี้แจงอัดทำให้พวกเราทั้งหลายได้ยินได้ฟัง <c oughs> ปรารบถึงเรื่องอบูชาหลวงปูม่มีแลวก็ปรารถ ถึงเรื่องสิ่งที่ล่วงไปสิ้นไปขยะวยธรรมมาสังขาราสังขารของเราของท่านของใครล่วงไปล่วงไปล่วงไปขยะเสื่อมไปไวยะสิ้นไปเสื่อมไปสิ้นไปขยะวยธรรมมาสังขาราสังขารทั้งหลายเสื่อมไปสิ้นไปสังขารทั้งหลายไม่เคยคงที่ สังขารทุกอย่างทั้งที่มีใจครองไม่มีใจครองไม่เคยคงที่ไม่เคยหยุดนิ่งอยู่กับที่ไม่ว่าจะเป็นตัวเราไม่ว่าจะเป็นสัตว์ไม่ว่าจะเป็นวัตถุรอบข้างตัวเราไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าพัดลมทุกอย่างสรพัที่อยู่รอบข้างตัวเราไม่มีสังขารใดแม้ม็ดหินเมด็ดทรายที่จะอยู่คงที่ได้ผู้เห็นสัจธรรมข้อนี้คือพระพุทธเจ้าของเรา น, นึ่ง ขยาววิยธรรมาสังคาราพวกเรารำพึงรำพันได้ยินได้ฟังเรื่องเหล่านี้เป็นเหตุให้เราไม่ประมาทไม่มัวเมาไม่นิ่งนอนใจเพราะฉะนั้นรีบมาใครยังไม่ขึ้นมารียบมามาทําให้เกิดอดมมงคนในใจของเราอีกวาระหนึ่งทีแรกผู้จัดวาระปรารบธรรมะคิดว่าจะให้มีแค่หนึ่งกัน แต่เราขอให้เป็นสองวาระกันแล้วกันที่จะสมภาคสมภูมิที่สุดต้องเป็นครูบาอาจารย์เพราะหน้าที่การให้ธรรมะนั้นเป็นหน้าที่ของพระมหาเถระท่านทั้งหลายจงจาให้แม่นเป็นหน้าที่ของพระมหาเถระเราเป็นผู้น้อยอยู่ๆเราโดดมาขึ้นอย่างนี้ไม่ใช่นิสัยของเราเราเคยพูดธรรมะในที่หลายแห่ง เราจะพูดในลักษณะว่าแก้หมู่เพื่อนขัดเขินหาไม่ได้จริงๆเท่านั้นเราถึงจะขึ้นครูบาอาจารย์นั่งเต็มไปหมดไม่ใช่วิสัยของเราเหมือนอย่างที่เราไปที่สวนแสงธรรมเราไปที่สวนแสงธรรมลูกศิษย์ลูกหาที่ไปโอ้มีแต่ลูกศิษย์หลหลงตาทั้งนั้นเคยฟังแต่ยอดธรรมมาแล้วทั้งนั้น ไอ้แค่เราไปนั่งตรงนั้นซึ่งเป็นที่ใกล้ๆที่หลวงตาเคยนั่งเราก็โอ้ยรู้สึกมันรู้สึกยังไงบอกไม่ถูกเนื่องจากว่าเราเคยอยู่ใกล้ท่านนะความด้วยเหตุที่เรามีความเคารพมีความยำเกรงด้วยมีความเคารพด้วยไม่ใช่จะเคารพยำเกรงเฉพาะรูปเหมือนท่านรูปท่านแม้แต่สถานที่ของท่าน เราก็ยังมีความเคารพยำเกรงโอกาสที่เราจะประรบธรรมะสู่กันฟังเราก็เราก็ไม่กล้าทำเพราะมันเคารพมันยำเกรงนี่เองแต่คราวนี้หมู่เพื่อนอาศัยเมตตาของหมู่เพื่อนไปกราบเรียนลูกปูนมีหลายวาระหลายครั้งลูกปูท่านก็เมตตา ไม่ใช่อยู่ๆแล้วกระโดดขึ้นมาเฉยๆเราก็มาพูดเพื่อเป็นการบูชาคุณคุณของหลวงปู่ก็แล้วกันพวกเราทั้งหลายฟังได้ก็ฟังฟังไม่ได้ก็ต้องฟังพูดครึ่งชั่วโมงก็ต้องฟังพูดหนึ่งชั่วโมงก็ต้องฟังก็แล้วกันถ้าอาจารย์อินท่านเมตตาหนึ่งชั่วโมงครึ่ง เ, เราจะเอาเท่าไหร่สองชั่วโมงไหวไหมไหวไหมสองชั่วโมงเราจะทราบได้ว่า วาระนี้ผู้ที่จะขึ้นมาตั้งใจนั่งฟังจะมีบุคคลอยู่สองประเภทประเภทหนึ่งมีความจงใจอยากได้ยินได้ฟังเสียงอัดเสียงทำอย่างแท้จริงในหัวใจไม่มีอะไรมาบาีบังคับไม่มีความจำนนจำใจอะไรทั้งนั้นเป็นผู้สมัครใจเป็นผู้หิวกระหายต่อเสียงอัดเสียงทำ น, นี่ประเภทหนึ่ง เป็นผูต้ตั้งใจจะฟังอัดฟังธรรมอีกประเภทหนึง่งน่าจะมีน่าจะมีอยากฟังวาทะของหลวงพ่อบุญมีจริงหรือไม่จริงดูเอากันแล้วกันนะไม่ใช่ท้าทายไม่ใช่ท้าทายธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นถ้าเราจะเทียบมันจะไม่เหมือนปลาเน่า ปลาเน่าถ้าเจ้าของไม่เร่ขายปลามก็จริงเน่าเละแต่ธรรมะของพระพุทธเจา้าไม่มีอะไรเดือดร้อนอใครสนใจกระับเข้าไปใครไม่สนใจก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะธรรมะของพระพุทธเจา้าไม่ใช่ปลาเน่าใครจะรู้จักก็ตามใครไม่รู้จักก็ตามใครสามารถทำได้ฝึกฝนอรมได้ในหัวใจของใครของเราเป็นปัจจิตตัง สามารถรู้เข้าใจได้เฉพาะตนของตนเอาเถอะพวกเราในเมื่อเราสนใจในรอบรอบดึกอย่างนี้เวลาเท่าไหร่แล้วสามทุ่มยี่สิบสามทุ่มยี่สิบยังไม่ดึกนะเขาเที่ยวกันตีสองตีสามแล้วค่อยไปนอนก็ ย, ยังมีนอนตีสาม ลุกสามโมงเช้าก็มีเขาก็ยังเอาไปเที่ยวเตทเรได้อย่างสะดวกสบายแต่พวกเราเอาสาระแก่นสารที่เป็นธรรมะมาสู่หัวใจของเราเราเห็นว่าเรื่องการหลับการนอนเป็นเรื่องเล็กน้อยเพราะฉะนั้นวันนี้เราตั้งอกตั้งใจฟังธรรมให้เราทําความเข้าใจสองสองประเด็นประเด็นหนึ่งประเด็นหนึ่ง ให้เราตั้งใจนั่งภาวนาพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธกําหนดลมหายใจเข้าด้วยหายใจออกด้วยหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนั่งฟังภาวนานั่งภาวนาฟังไปลุงตาท่านจะสอนอย่างนี้ทุกระยะทุกครั้งที่พวอเรานั่งเฝัาฟังฟังเทศภาคปฏิบัติภาคภาวนาเรานั่งภาวน า, า, วนาตั้งตัวเองนั่งภาวนาเลยอ่า พุโทโธพุโทโธพุโทโธพุทโธนี่อันนี้คือประเด็นหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งถ้าหากจิตของเรามันไม่อยู่มันตกมาจากพุโทโธให้มันอยู่กับเสียงธรรมพอเรารู้สึกว่าเราอยู่กับเสียงธรรมจิตมันเกาะธรรมเราก็เกาะไปเรื่อยๆถ้าจิตมันเริ่มจะไม่เกาะเสียงธรรมที่ท่านพูดให้เราขยับมาอยู่กับคำว่าพุโทโธพุโทโธท่านฟังอยู่อย่างนี้ สิ้นระยะเวลาไป20นาที30นาทียิ่งสิ้นระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงเราทําได้อย่างนี้ตลอดมันจะเป็นการฝึกการฝืนมันจะเป็นรากเป็นฐานมันจะเป็นอนุสอ์ในการที่เราตั้งอกตั้งใจภาวนาเป็นครั้งคราวให้กับเราได้เป็นอย่างดีอย่าลืมนะกําหนดภาวนาพุโทโธพุโทโธใครเคยภาวนาสะดวกสบายยงไงเราก็ภาวนาไปอ่าพอ มันตกจากพุโทโธไปอยู่กับคําเทศถ้ า, ามันเกาะคําคเทศเราก็ให้เกาะไปมีความรู้ตัวทั่วเพราะว่าเราฟังเสียงธรรมเข้าใจเนื้อหาของอัดธรรมอืมแต่ถ้าหากมันรู้สึกว่ามันจะเริ่มเลือนลางไปเราก็ขยับมาอยู่กับคำว่าพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุธโทโธนี่การฟังธรรมภ า, าคปฏิบัติจึงมีความสําคัญบางคนเขาก็ว่าฟังยังไงมันก็เป็นปริยัติอยู่นั่นแหละ ฟังยังไงก็เป็นปริยัติอยู่นั่นแหละหลวงตาท่านว่า <c oughs> เราฟังธรรมภาคปฏิบัติด้วยและนั่งปฏิบัติไปด้วยท่านว่าได้ผลมากกว่าเราทำโดยลำพังอันนี้หมายความว่าคนที่ตั้งตัวเองยังไม่ได้ได้ผลมากกว่าเราทำโดยลำพังเพราะฉะนั้นเรายึดหลักของหลวงตาท่านสอนเอาไว้ แม้แต่เสียงส่งมาที่เสียงที่ภูเทศ so ทํา็ไม่ให้ส่งมาทําความรู้อยู่เฉพาะใจของตัวเองอยู่กับพุทโธพุทโธก็ให้อยู่กับพุโทโธพุโทพโธถ้าไม่อยู่กับคําว่าพุโทโธพุโทโธมันมาก่ออยู่กับเสียงธรรมแล้วก็เกาะไปเรื่อยๆเกาะเหมือนกับคมที่สุดแหลมที่สุดคมที่สุดเกาะอยู่กับเสียงธรรมแล้วก็เกาะไปเรื่อย <todo> ๆเกาะไปเรื่อยๆเกาะไปเรื่อยๆทําให้จิตดวงนั้นเนี่ย ได้ผลได้ผลมากกว่าทําโดยลําพังเบื้องแรกท่านอาจารย์อินท่านปรารถถึงพุทธวจนะเดี๋ยวนี้คนเอาพุทธวจนะไปประกาศไปเผยแพร่เอาธรรมะจากพระโอษฐ์ของพุทธเจ้าไปประกาศไปเผยแพร่ดังระเบิดเลยอยู่ที่กรุงเทพตอนนี้ทําไมท่านจึงปรารถขึ้นเพราะว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆพุทธวจนะก็คือคําพูดของพระพุทธเจ้า เขบอกว่าพระสงฆ์สาวกทุกวันนี้ไม่ค่อยจะเอาธรรมะของพระุทธเจ้าจากปากของพระพเจ้ามาเผยแพร่มาประกาศมาบอกมาสอนมักจะเอาแต่ของพระสาวกมาสอนอเช่ยนอย่างมักจะพูดกันว่าทําไมเราต้องติดใจกับครูบาอาจารย์ทำไมเราจะต้องติดใจกับคำว่าบุคคลทําไมเราไม่ติดใจในธรรมทำไมเราไม่ถือธรรมไม่เคารพธรรม ก็ธรรมะที่จะพึงเกิดขึ้นไม่แจกไม่แจงมาแสดงให้เราปรากฏได้ก็เพราะบุคคลไม่ใช่หรือเราพูดได้อย่างเต็มปากเนื่องจากพวกเราได้ยินได้ฟังเสียงอัดเสียงทมของหลวงตาหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นถือว่าเป็นบุคคลที่แสดงความเป็นพระอรหันต์ให้ปรากฏในโลกปัจจุบันเป็นผู้แสดงความเป็นพระอรหันต์ให้ปรากฏในโลกปัจจุบัน ทีนี้หลวงตาท่านก็สืบทอดมาจากหลวงปู่มั่นถ้าเราจะพูดอีกอันนึงว่าหลวงตาท่านก็เป็นผู้หนึ่งที่แสดงความเป็นพระอาหารหันต์ให้ปรากฏในโลกปัจจุบันท่านฟังแล้วท่านมีความขัดแย้งอยู่ในใจไหมท่านไม่ขัดแย้งเลยอยู่ในใจเราพูดตามท่านอเราพูดตามท่านเราฟังคําพูดเหล่านี้แล้ว เราได้กำลังใจขอให้เราทุกคนเนี่ยตั้งมั่นและได้กำลังได้กำลังใจจากคำที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกท่านสอนใครเป็นคนอุ้มชูพระพุทธวจนะนั่นมาสัตรธรรมสามปริยัตปฏิบัตปฏิเวทอะไรเป็นผู้อุ้มอุ้มชูพระศาสนามาสิ่งที่อุ้มชูพระศาสนามาก็คือปฏิเวศ ปฏิเวทคือผลปรากฏในใจของพระสง์สาวกพระพุทธเจ้าท่านให้ความสําคัญกับพระสง์สาวอ ก, สสวกแต่คนที่เขาเอาพระพุทธพจนะมาเผยแพร่เขากําลังจะตัดสาวกออกแต่เขาไม่ตัดตัวเขาเองฟังดูให้ดีก็แล้วกันฟังให้เปลี่ยนธรรมฟังให้เปลี่ยนธรรมพระสง์สาวกเหล่านั้นท่านทรงธรรมะของพระพุทธเจ้ามาได้ด้วยอะไร ด้วยความเป็นธรรมด้วยความเข้าถึงธรรมที่เขาเรียกว่าปฏิเวทปฏิเวทเพราะฉะนั้นอัตธรรมของพระพุทธเจ้าสืบทอดมามาจนถึงปัจจุบันนั้นสืบทอดมาได้เพราะปฏิเวทจิงอยู่ท่านพูดถึงสัจธรรมสามสัจธรรมคือปริยัตปฏิบัติปฏิเวทการได้ยินได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน เป็นปริยัตนะเมื่อได้ยินเมื่อได้ได้ยินได้ฟังได้เข้าใจเอาไปใคร่ครวนอย่างที่ท่านเรียกว่าสุตะเมื่อสุตะได้ยินได้ฟังแล้วก็ต้องเอาไปจินตะไปนึกไปคิดไปวินิจฉัยไปใคร่ครวนนะเป็นสุตะเป็นจินตะเป็นปัญญาเป็นปัญญาญานเป็นทัศนะ์เป็นญาณทัศนะ์เป็น วิปัสนาเป็นวิปัสนาญาณแท้จริงหลักใหญ่ที่พุทธิยถาท่านทรงแสดงก็งเหมือนอย่างที่เราสวดธรรมจักรที่ผ่านไปแล้วโดยที่ท่านยกธรรมทางหนทางสามสามามหนทางาาการบรสลุกลริการโยกประกอบตนพวกพรในกามเป็นทางสายหนึ่งอันนี้เป็นทางที่หย่อน อ, อัตกิธรรมฐานโยกเป็นทางอีกทางหนึ่ง เป็นทางที่ประกอบตนให้เหน็ดเหนื่อยเปล่าและท่านเปิดทางเส้นใหม่ให้พวกเราเดินมัชฌิมาปฏิปทาสมมาทิฏฐิสมมาสังกโปสมมาวายาสมมากรรมันโตสมมาชิโวสมมาวายาโมสมมาสติสมมาสมาธิสรุปลงแล้วก็คือต้องเกี่ยวข้องกับศีลทําศีลอย่างยิ่งจนเป็นอธิศีลจิตจะต้องเกี่ยวข้องกับสมาธิทําสมาธิให้ยิ่ง จนได้ชื่อว่าอธิจิตเกี่ยวข้องกับปัญญาต้องทำปัญญาให้ยิ่งที่จะเรียกว่าอธิปัญญาอธิศีนอธิจิตอธิปัญญาจึงเป็นเกณฑ์ที่จะทำให้เราถือตามประพฤติตามปฏิบัติตามเข้าไปสู่มรรคสู่ผลที่พระพุทธเจ้าท่านทรงแสดงไว้ได้ถ้าเส้นทางอื่นบางทีสอนกันสอนเรื่องพิธรมบางทีสอนกันเรื่อง พุทวิชชาอยู่สอนกันเรื่องธรรมะจากพระโอษฐ์อยู่บางทีก็เข้าใจว่าปริยัติเหล่านั้นเป็นปฏิบัติก็มีแต่สายวัดป่ากรูบายจารย์เราท่านพูดถึงปฏิบัติปฏิบัติปฏิบัติปฏิบัติปฏิบั ต, บติเหมือนอย่างที่พวกเราเคยได้ยินได้ฟังลงุงปวงเสารนะ์น่ยมีคนไปถามว่าท่านให้ภาวนาพุโทโธพุโทโธภาวนาพุโทโธแล้วได้อะไรภาวนาพุโทโธแล้วเห็นอะไรไม่ต้องถามไปทํา ภาวนาพูดโธแล้วได้อะไรไม่ต้องถามไปทําทําให้มากเจริญให้มากพระธรรมคุบุติยา้าที่ท่านพูดพอประมาณ8ปดหมสี่พันพระธรรมขันเท่ากับใบไม้ในกำรรมือท่านนั่นเองมีอยู่วันหนึ่งพระองค์ประทับอยู่ที่ป่าประดู่ลายกับพระอ น, นุลถามพระอ น, นุ์ว่าใบไม้ในป่าประดู่ลายเนี่ยในป่าทั้งหมดเนี่ยกับ ใบไม้ในกามือของเราเนี่ยอันไหนจะมากกว่านนใบไม้ในป่ามากมายมหาศาลพระเจ้าค้าใบไม้ในกามือของพระองค์นิดนิดหน่อยหยิบเดียวหยิบมือเดียวนิดหน่อยเท่านั้นเองแต่ถ้าหากเราเข้าใจเรื่องการเข้าถึงธรรมะแล้วใบไม้ในกํามือกับใบไม้ที่อยู่ในป่าไม่มีอะไรแตกต่างกันพระสงฆ์สาวกที่ตั้งใจมาประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เข้าสู่หลัก ที่ท่านเรียกว่าปฏิเวทปฏิเวทอย่างแท้จริงนั้นหมายความว่าท่านเข้าถึงธรรมเมื่อท่านเข้าถึงธรรมแล้วท่านก็จะรู้จักหมดโอ้อยู่ในกำมือที่พุทธเจา้าท่านสอนก็ใ<ๆ>บไม้อยู่ในป่าก็ใบไม้พระปฏิบัติครูบาอาจารย์ของเราทั้งหลายที่ท่านเอามาสอนลูกศิษย์ลูกหานั้นท่านจะเอาความรู้ความเห็นแปลกๆมาสอนพวกเราท่านอาจจะเอาใบไม้ในกำมือของพุทธเจา้ามาสอนพวกเราก็ได้ ท่านอาจจะหยิบเอาใบไม้ในป่ามาบอกมาสอนเราก็ได้เพราะใจท่านเข้าถึงธรรมเราฟังดูต้นตำนานของพระพุทธศาสน า, าพระพุทธเจ้าพระริพานไปแล้วสามเดือนจึงมีการทําัถมสังขยนามีพระอนนท์เป็นผู้วิสัชนาพระธรรมมีพระอุบาลีเป็นผู้วิสัชนา พระวินัยแค่สามเดือนแค่นั้นแหละผู้เข้าถึงธรรมจะรู้จักเข้าใจทั่วถึงอยู่ในหัวใจของท่านแต่ผู้ที่ยังไม่เข้าถึงธรรมก็คือเป็นหัวใจยังจอบปลอบนั่นเองถึงแม้ว่าจะทรงประยัดทรงปฏิบัติทรงปฏิเวทแต่บางเทนบางทีอาจจะเป็นสัตธรรมปฏิรูปในหัวใจของเขา ยังไม่มีมั่งมีผลอะไรพอที่จะเจริญงอกเงยนนหนวใจขึ้นมาได้แต่สำหรับผู้ที่เข้าถึงอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนเริ่มต้นมาจากการได้ยินในฝั่งตั้งใจประพฤติปฏิบัติเอาไปสุตะเอาไปจินตักจนเป็นปัญญาเป็นปัญญายาณขึ้นมาได้เป็นสัพท์ธรรมของพระพุทธเจ้าเต็มร้อยอย่างแท้จริงะจะไม่มีอะไรแตกต่างกันพระสงฆ์ห้ารองค์ที่ทำ ผสมสังคายานาอยู่ที่ถ้าสัตตบันณะคูหาคือผู้เข้าถึงธรรมทั้งนั้นใบไม้ในกำมือพุทธเจา้าท่านก็เห็นท่านก็เข้าใจใบไม้อยู่นอกกำมือของพระพุทธเจา้าท่านก็เห็นท่านเท่าเข้าใจถ้าหากเราจะเอาประเด็นมากมามาบอกว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราเจริญศินเจริญสมาธิและเจริญปัญญาแต่ศินนั้นพระองค์ทรงบัญญัติเพราะสินนั้นเป็นบัญญัติ แต่ธรรมะนั้นมีสัจธรรมรองรับท่านจึงสอนกลางๆให้เราทำใจให้สงบท่านเรียกว่าสมถทะและท่านสอนให้เรามีปัญญาท่านจึงเรียกว่าปัญญามีเรียกเป็นสมถทะและวิปัสสนาหรือมีเรียกว่าสมาธิแล้วก็เรียกว่าปัญญาท่านจะไปเอาบทไหนก็ตามมาบริกรรมให้จิตสงบเป็นสมถทะทั้งนั้น สิ่งที่ เ, าเร า, าบริกรรมให้จิตสงบนั้นเราก็เอาอะไรบางทีเราก็เอารูปธรรมาบางทีเราก็เอานามธรรมาคืออารมณ์ภายในจิตของเราเราจะอารมณ์เอาอารมณ์อะไรมาบริกรรมก็ตามจิตของเราได้รับความสงบนั่นแหละสมถะเกิดขึ้นแล้วพระพุทธเจ้าททรงจะทรงพูดไว้ตรัสไว้ก็ตามไม่ตรัสไว้ก็ตามนั่นแหละคือพระประสงค์ของพระองค์ให้เราผู้ให้พวกเราเข้าใจเอาไว้เขายังปฏิเสธว่า พุทโธพุทโธพุทโธพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกให้ให้ให้ท่องครพุทธเจ้าไม่ได้สอนแต่เราพวกเราทั้งหลายไม่สงสัยครูบาอาจารย์ของพวกเราภาวนาแล้วจิตสงบครูบาอาจารย์ของเราทั้งหลายเอาจิตที่สงบมาพิจารณาสัจธรรมจนได้บรรลุอัดบรรลุธรรมไปทมตามกันเป็นจำนวนมากอยู่แล้วท่านไม่สงสัยเพราะท่านเข้าใจ ท่านเข้าใจอัทธสาระคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้เอามาโต้มาแยง้งไม่ได้เอาคํามาโต้มาแย้งกันประสงค์ธรรมะอันบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าที่สืบทอดกันมาเรื่อยๆผสมสังขยาก็ยังไม่มีการจดจารึกสังขยาครั้งที่สองปรุศาสนาล่วงไปแล้วกี่ปีก็ยังไม่มีการจดจารึกและธรรมะของพระพุทธเจ้าส่งมาได้ยังไง ส่งมาได้กับจิตท่านเหล่านั้นเข้าถึงธรรมอุ้มชูมาด้วยกระแสของธรรมในหัวใจท่านจะเอาสระท่านจะเอาพยัญชนะไปกําหนดกฎเกณฑ์ไม่ได้ต้องกําหนดกฎเกณฑ์ธรรมะที่เกิดขึ้นในหัวใจท่านจะเข้าใจธรรมะของพระพุทธเจ้ากับธรรมะของพระสาวกเวลาท่านเข้าถึงแล้วจะเหมือนกันหมดสามารถกําจัดความโลภความโกรธความหลงออกไปจากหัวใจ หมดจดโดยสิ้นเชิงเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าท่านไม่มีข้อขัดแย้งกันแต่สหรับการรู้การมีริษมีเดชอภินยาทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นมันเป็นเรื่องของอนิสัยอุปนิสัยแต่ละแต่ละตนแต่ละท่านะจะมีความรู้ละเอียดที่เขาเรียกว่าอภิญยาอภิญญาแปลว่ารู้พิเศษรู้ยิ่งเพราะฉะนั้นท่านจึงจัดประเภทพระอาหารหันต์ที่เข้าถึงธรรมะของพระพุทธเจ้า สประเภทสี่ประเภทสุขวิปัสสโกมีความรู้แค่พอทำให้ความโลภความโกรธความหลงในหัวใจหมดไปจากหัวใจโดยสิ้นเชิงเตวิโชไดวิชาไดวิชาสาระลึกได้ปุเพนิวาสารุสติญาณเหมือนอย่างที่ท่านอาจารย์อินท่านแสดงไปแล้วนั่นแหล ะ, ะแล้วก็มีจุตูปปาตยาน ระลึกเห็นภพชาติของตัวเองเกิดดับเกิดเกิดขึ้นเกิดตายเกิดตายเกิดตายระลึกเห็นภพชาติของสัตว์ทั้งหลายเกิดตายเกิดตายทํากรรมนั้นแล้วมาเกิดเป็นนี้ทํากรรมนี้แล้วจะต้องไปเกิดเป็นนั้นรู้แจ่มแจ้งชัดเจนนี่เป็นญาณเป็นญาณทัศนะเกิดความรู้เกิดความเห็นเกิดความเข้าใจคําว่าญาณก็คือความรู้อย่างยิ่งยวดไม่ใช่ปัญญาธรรมดาถ้าเราอยากใช้คําว่าปัญญาถ้าเรียกว่าปัญญายานเพียงกําหนดหิดกึ๊ก นะไม่จําเป็นจะต้องเอามือไปเคี่ยวไปเคิเหมือนเขาเล่นคอมพิวเตอร์ไม่จําเป็นเพีย้ยตะยอนกิดใส่ท่านั่นน่ยโผลขึ้นมาทันทีฤกกษได้กี่กับกี่การกี่กับกี่วัตตะกับกี่วิวัตตะกับภพบชาติของพระองค์ภพชาติของสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง น, นั้นไม่มีจบไม่มีตีไม่มีตันเห็นทุกระยะตลอดพยายามสุดท้ายที่ท่านจะได้บรรลุธรรมทําให้พระองค์ได้บรรลุอาสวัคคยายานนี่มีประเภทเ ต, เตวิโชโฉก็คือได้วิชาสาม มีภูเพนในวาสานุสติยานจตุ ป, ปัฏิยานและอาสาวัคคยายานคำอาสาวัคคยายานเหมือนอย่างพุทธเจ้าท่านบําเพ็ญในปัตชิมยามนั่นแหละท่าน ท, ท, ท, ทาําไปทําไปทําไปทําไปพิจารณาไล่ต้อนอวิชชาตันหาวปาฐานไล่ไปไล่ามาไล่มาไล่ลไปมีญาทัศนะอย่างรู้ว่าจิตของพระองค์เนี่ยหมดจดบริสุทธิ์โดยสิ้นเชิงจะเกิดยาณทัศนะอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้น ถ้าเป็นถ้าเป็นหลวงตาท่านพูดท่านใช้คำว่าขณะจิตขณะจิตบ่งบอกว่ากิเลสในหัวใจหมดจดโดยชิ้นเชิงกิเลสในหัวใจหมดจดโดยชิ้นเชิงนี่อันนี้คือภูมิภูมิของภาษาพวกอีกอันหนึ่งนะภูมิของภาษาพวกอีกอันหนึ่งก็คือชละพินโยอภิญญาหกมีหูทิพตาทิพมีอะไรต่ออะไรเนี่ยทั้งหกอย่างนั่นแหละแล้วก็อีกประเภทหนึ่งก็คือเจตุสัมพิทัปโต คือมีความรู้แตกต่างตามภูมิรู้ตามนิสัยตามอํานาจวาสนาเหมือนอย่างอภิธรรมที่เราที่ครูบาอาจารย์ท่านเอามาจดจารึกให้พวกเราได้ยินได้ฟังได้อ่านอยู่ทุกวันอภิธรรมก็คือภูมิรู้ของพระสาวกองค์ใดองค์หนึ่งเท่านั้นเองในนั้นท่านท่านรัชนามาว่าเป็นพระอนุรุท ธ, ธาจารย์ใช่ไหมหลักของอภิธรรมอภิธรรมนี่ เราเรียนไปตามนั้นไล่เหมือนกับเราไล่ต้อนตามความรู้ที่ท่านเอามาบอกมาสอนเราแต่โอกาสที่เราจะถ้าสมมติเราหลงเราลืมเราไม่ได้ย่อนหรือย้อนไปถึงหลักอริยมรมีองค์แปดอันเรียกว่าศิลอวิระก็สมาธิอันเรียกว่าปัญญาแล้วยังชื่อว่าเรายังไม่เดินตามมกให้ถูกต้องเลยเรากาลังค้นหา คือค้นหายอย่างไม่ถูกต้องเดินตามอย่างไม่ถูกต้องบางทีไม่เข้าหลักปฏิบัติเลยอาจจะเป็นตามรู้จิตนึกเรื่องรูปออรูปจิตนึกเรื่องเวทนาอ่าเวทนาไม่ได้ตามต้นลึกเข้าไปถึงสมุทัยที่เกิดอยู่ในจิตไม่ถึงก้นบึง้งก้นลึกมันยังมีฉากหลังบังอยู่ไม่สามารถจะทำให้เราเนี่ยเข้าถึงตัวเหตุต้นตอที่แ ท, ท้จริงที่เรียกว่า สมุทัยได้ย่อมไม่ประสบผลที่เรียกว่าปฏิเวทะปฏิเวทะนีไม่ดีก็หลงงมงายกลายเป็นสัตธรรมปฏิรูปคําว่าสัตธรรมปฏิรูปคือธรรมปลอมคําว่าปฏิรูปปฏิรูปแปล ว, ว่าปลอมสัตธรรมปฏิรูปอปฏิมากรปฏิมากรคือรูปปลอมรูปปลอมของพระพุทธเจ้า ธร ร, ธรมปฏิรูปหรือสัตยธรรมปฏิรูปคือธรรมะปลอมคำว่าธรรมะปลอมคือธรรมะที่เดินไม่ถูกตามหลักของศีลของสมาธิของปัญญาบางครั้งเราได้ยินได้ฟังเราจะเห็นว่าเขาพูดในเรื่องเขาพูดในเรื่องปัญญาพูดถึงเรื่อ ง, งปัญญ า, ถ, ญญาถ้าพูดถึงเรื่องสมถะเลยโอ้ยเสียเวลาเสียเวลาแน่ตัดสมาธิของพุทธเจ้าออกแล้วมันไม่ครบมันไม่ครบหนทางที่จะพาทําให้เราก้าวไปสู่มรรคส่ผลอย่างแท้จริงได้ อืการที่เราดํารีกตามกิริยาอาการของจิตเหมือนกับเราไล่นับกิริยาอาการของจิตที่มันออกมาจิตรักเอรู้รักจิตโลภรูโลภจิตโกรธรู้โกรธแต่ไม่เคยย้อนมาดูที่จิตว่าอะไรเป็นตัวผลักดันความโลภอะไรเป็นตัวผลักดันความโกรธความหลงไม่เคยย้อนมาในเมื่อเราไม่เคยย้อนมาเราก็ไม่เห็นในเมื่อเราไม่เห็นมันก็ถูกสิ่งเหล่านี้ปิดบังเราอยู่ทุกระยะทุกเวลาอ่า เหมือนกับเราตามนับความโลภความโกรธที่ไหนมันจะสงบระงับลงไปได้เพราะฉะนั้นท่านจึงให้สงบระงับซะก่อนสงบระงับให้จิตนิ่งอยู่กับที่ซะก่อนนี่คือสมถะเพื่อให้จิตดวงนั้นมีกาลังตราบใดที่เรายังไม่สงบระงับให้จิตแนบแน่นมั่นคงในภายในแล้วจิตของเราจะจะไม่มีกาลังเราตามรู้ก็ตามรู้ไปเฉย สู no not not minute, ้อํานาจของตันหาไม่ได้ไปเห็นรูปรูปรูปอรูปไม่เที่ยงรูปไม่เที่ยงรู้ว่าไม่เที่ยงอยู่แต่มันไม่มีกําลังหยั่งลงไปให้เห็นว่าไม่เที่ยงคืออะไรอันนี้จังทุกขังอนัตตารู้อยู่ว่าอันนี้จังรู้ว่าทุกขังรู้ว่าอนัตตาแต่ไม่มีกําลังพอที่จะหยั่งไปถึงว่าอะไรคืออันนี้จังอะไรคือทุกขังอะไรคืออนัตตาท่านจึงให้มาเสริมกําลังให้เกิดกับจิตของเราซะก่อนกําลังของจิตก็คือกําลังของสมาธิ สมาธิของพระพุทธเจ้าเป็นสัมมาสมาธินั้นเป็นสมาธิที่ตั้งมั่นแนบแน่นมั่นคงประกอบด้วยสติมาประกอบด้วยสัมปชัญโนประกอบด้วยอาตาปีอาตาปีคือความเพียรพระคประคองสัมปชัญโนคือรู้ตัวทุกระยะทุกเวลาแล้วก็มีสติพระคประคองอารมณ์ที่เรากําหนดจดจ่อกําหนดพิจรารณากําหนดรู้ กำหนดพิจารณากําหนดละกาหนดรู้กำหนดพิจารณากําหนดละนี่ตามหลักแท้ๆมันต้องเป็นอย่างนี้ไม่งั้นเราจะก้าวไปสู่สัทธธรรมโดยถูกต้องไม่ได้สัทธรรมโดยถูกต้องก็คือปริยัติปฏิบัติปฏิเวทปริยัติปฏิบัติปฏิเวทก็เหมือนอย่างที่อาจารย์อินทานปรารภถึงอาจารย์พระธรรมกถึกกับพระเวนัยธร ลูกศิษย์คนหนึ่งไปหาอาจารย์ที่เป็นธรรมกตถกอาจารย์ธรรมกัตถ์สอนเรื่องธรรมสอนอ่ะโอ๊ยหน้าเบื่อหน่ายลือเกินมากมายหลือเกินจําไม่ไหวจําไม่ได้ก็ไปหาเวลาไปหาอาจารย์ที่เป็นธรรมทอนเป็นผู้สรงพระวินัยท่านสอนเรื่องข้อนั้นห้ามอย่างนั้นข้อนั้นห้ามอย่างนั้นข้อนั้นห้ามเหมางนั้นโอ้ยทำไมเราไม่ไหวแล้วสติปัญญาของเราทรงไม่ไหวไปขอขอลาบุญเจ้าไปจะศึกเอ้ยเธอไม่ต้องเอาเอาอย่างเดียวได้ไหมเอาใจนี่เห็นไหม นี่คือการปฏิบัติทแท้ต้องไม่ทิ้งใจย้อนมาที่ใจมีพระองค์นั้นก็เลยไปทําเหมือนอย่างพุทธเจ้าไม่นานก็ได้เป็นบรรลุธรรมะแต่อย่าลืมว่าสาวกมีสองประเภทประเภทหนึ่งฟังธรรมะจากใครก็บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้อีกประเภทหนึ่งเป็นพุทธเว น, นัยคําว่าพุทธเว น, นัยต้องฟังธรรมะจากพระพุทธเจ้าเท่านั้นจึงจะได้บรรลุธรรมฟังจากคนอื่นฟังเท่าไหร่ก็ไม่ได้ เหมือนอย่างพระจุลปันธกเงี้ยเราฟังดูพระจุลปันธกเป็นน้องชายของพระมหาปันธกพระจุลปันธกเนี่พี่ชายสอนให้เรียนกระถาสีา่แถวหนึ่งบาทนหะนึ่งบาทสบาทเป็นหนึ่งกระานะแค่ถ้า ถ, ถ้าจะมาตั้งเป็นแถวได้แค่สองแถวแค่นี้ตลอดสามเดือ น, นจำไม่ได้พี่ชายก็เลยทรมานพอออกพรรษาเนี่ยหมอชีวก นิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมภาษาวกไปชันที่ชีวกรรมพวัน ท, ที่สวนหมอชีวกน่ะไปแล้วก็ไปอังคาดอาหารอะไรเสรีจเรียบร้อยหมดแล้วพระพุทธเจ้ า, อ า, อ, าอาหารทั้งหลายพระสงฆ์สาวกก็จัดถวายอังคาดเสียเรียบร้อยหมดแล้วขอขอใพระพุทธเจ้าให้พรว่ายังไม่หมดพระสงฆ์ยังไม่หม ด, ย, มหมดยังมีอยู่ที่วัดหนึ่งองค์ให้คนไปตาม พอไปตามที่ไหนได้พระยุลปันทกเนี่ยหลังจากพี่ชายไม่ให้มาฉันดู้ว่เสียใจจะออกไปศึกจะออกไปศึกพอหมู่เพื่อนเข้ามาที่สวนหมอชีวกยุลปันทกออกไปหลังวัดพุทธเจา้าอยู่ในเรือด่าของพุทธเจ้าหมดพระองค์ก็บันดาลไปขวางเอาไว้เธอจะไปไหนไปศึกพระจ้าค่าทำไมล่ะพี่ชายทำให้กระหม่อมได้รับความอับอายไม่ให้ไปฉันไม่อะไร อามานี้เธอไม่ได้บวชอุทิตพี่ชายเธอนี่นะเธอบวชอุทิศเรามาแล้วก็นเนรมิตผ้าขาวให้ให้เธอเให้เธอบริกรรมอยู่นี่นะทํางานอยู่ตรงนี้นะให้ฟังเรานะผ้าขาวผ่องให้พระเจ้าเนรมิตให้พระจุลปันทนะุกเนี่ยบริกรรมมือหนึ่งก็ถือผ้าขาวไว้มือหนึ่งก็บริกรรมบนผ้าขาวแล้วก็ลูบไปคลําไประโชหรณนางระโชหรณนางระโชหระนาง บริกรรมไปบริกรรมไปบริกรรมไปด้วยความเชื่อของพระพุทธเจ้าและด้วยอุบายวิธีของของพระพุทธเจ้าซึ่งพระจุลบันธุนะ์เป็นประเภทพุทธเวนัยพอทําไปไม่นานไปทําไปไม่นานลูกไปลูกไปลูกไ ป, ล, กไปละชวร์นังละชัวร์นังจิตก็เริ่มสงบพระจิตเริ่มสงบผ้าขาวพองนั่นะเริ่มมองลงมอ ง, มองลงคือดําลงดําลงดําลงเกิดปัญญาอ้าว ตัวเรานี่สกรปรกมากเมื่อก่อนนั้นขาวผ่องผ้าขาวผ่องด้วยเหตุที่เรามือไปลูบไปสัมผัสนะลูบไปลูบไปลูบไปลูบไปผ้าเลยดำลงน่ได้ได้ปฏิกูลสัญญาพุทธเจ้ากนินรมิตวิปัสสนามาให้พิจรารณาปึง้งเดียวได้บรรลุพร้อมด้วยวิวิคเรียกว่าวิชาพลิกจิตพลิกจิตจากคนคนเดียวเนี่ยแปลงให้เป็นหนึ่งพันคนได้ ม, มันลุกเป็นพระอาหารเพิงเดียวคุณสมบัติเหล่านั้นมาพร้อมเลยพอเวลาคนเข้าไปตามอา้าวในร่ ม, มิตรพระเป็นพันองค์ทั้งกวาดทั้งยืนเดินจงกรมทั้งนุง่นธรรนุ่นธรรมเต็มวัดไปโอ้ไม่ใช่พระหนึ่งองค์เขากลับมาบอกพระเต็มวัดเลยเอา้าไปเรียกหาพระ ช, ชื่อจุลบันทกนะให้ไปใหม่ไปเรียกชื่อจุลปันทกพอไปเรียกจุลบันทกเต็มไปหมดกลับมาอีกอ้าวใครบอกว่าชื่อจุลบันทกก็ไปจับระจับมือของคนนั้น พอไปวาระที่สามไปจับมือพอจับมือก็รูปทั้งหลายเหล่านั้นก็หายหมดเน่แล้วได้พระจุลบรรทกเนี่ยไปฉันพัตหารที่สวนหมอชีวกนี่คือเป็นประเภทพุทธเฝื่อในพี่ชายสอนเท่าไหร่ก็จะไม่ได้แต่เวลามันรู้น่รู้แบบพลิกจิตเขาเรียกว่าวิชาพลิกจิตนี่คือพระพุทธเจ้าท่านรู้เพราะคนเรามันมีอุปนิสัยไม่เหมือนกัน อย่างพระจุลบัรพกถนะท่านมีอุปนิสัยย้อนไปถึงอดีตชาติว่าท่านเคยเป็นพระราชาแล้วก็นั่งช้างเที่ยวดูเมืองเที่ยวไปดูไปดูไปดูไ ป, ไปร้อนเหงือ่อเหงื่อแตกมักเอาผ้าเช็ดหน้ามาเช็ดหน้าเหงื่อแตกเห็นผ้าดำพึ้ได้รับได้รับความสงบได้รับความสลดใจถ้าเรียกว่าได้ปฏิกูลสัญญาแค่นั้นเอง กลายเป็นนิสัยกลายเป็นอุปนิสยัยติดมาจนวาระสุดท้ายได้เป็นพระอรหันต์นี่พระชาติสุดท้ายเนี่ยได้เป็นพระอรหันต์นี่ท่านพูดถึงประเภทว่ า, าลูกศิษย์เนี่ยมีคุณสมบัติแตกต่างกันอีกประเภทหนึ่งก็จตุปิปฏิสัมพิธ า, ารู้อัดรู้ธรรมรู้นิรุตรู้ภาษารู้อัดรู้ธรรมเข้าใจเรื่องอัดเข้าใจเรื่องธรรมเข้าใจเรื่องเข้าใจเรื่องภาษา มีรูปแต่ปฏิสัมพิทาอันนี้คือคุณอภิเศษแต่ความบริสุทธิ์ในใจของพระสงฆ์สาวกเหล่านั้นบริสุทธิ์เท่ากันเหมือนกันหมดพระพุทธเจ้าบริสุทธิ์หมดจดอย่างไรพระสงฆ์เหล่านั้นบริสุทธิ์หมดจดอยู่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าเอาโลคความโลภความโกรธความหลงในหัวใจออกจากพระไถยหมดสิ้นเชิงได้อย่างไรพระสงฆ์สาวกเหล่านั้นสามารถเอาออกหมดจดโดยชิ้นเชิงเหมือนพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้น ใบไม้ในกํามือของพระพุทธเจ้ากับใบไม้ในป่าจะแตกต่างอะไรกับหัวใจผู้ที่สั้นเข้าถึงธรรมผู้ไม่เข้าใจต่างหากเฮ้ยอันนี้ผู้ทิเจ้าไม่ได้ตรัสไวไม่ต้องไม่ต้องเชื่อไม่ต้องฟังไม่ต้องถือนับว่าเป็นอุบายที่ชานฉลาดมากเดี๋ยวนี้หนังสื อ, อธรรมะจากพระโอษร์ขายดิบขายดีเป็นน้ำเทนา้าเทท่าที่วัดมีคนซื้อไปให้เจ็ด ชุดแชุดข้าวชุดอันนี้เป็นผลงานของท่านพุทธทาสธรรมะจากพระโอษฐ์ที่ท่านที่ท่านแปลเอาเฉพาะที่พุทธเจ้าท่านทรงตรัสเอาไว้โดยที่เอามารวบรวมเป็นพุทธประวัติจากพระโอษฐ์อริยสัจสี่จากพระโอษฐ์อันนี้มีบั้นต้นบั้นปลายปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์แล้วก็อะไรนะอะไรอีกอันหนึ่งนะจำไม่ได้ ที่พระุธเจ้าท่านเอามาทำไว้รวมเป็นห้าเล่มอันนี้ท่านทำไว้ดีแล้วซึ่งเป็นผลงานของท่านถ้าหากใครอยากจะศึกษาพุทธประวัติจากพระโอษฐ์เอาหนังสือเหล่านี้พระุทธเจ้าพระพุทธศาท่านเผยแผ่ ม, มานานแล้วท่านแปลอักระอะไรแต่ไรดีดีตามหลักวยาก์อะไรครบถ้วนหมดแท้ที่จริงสิ่งเหล่านี้ก็คือพระสงสาวกที่ท่านทรงอัดทรงทำนั่นแหละ มาพูดมาแจกแจงมาแสดงกิริยาเราดูที่ทำสังขยาณาครั้งที่สองก็ยังไม่มีการจดจารึกดูเหมือนจะทําสังขยนาครั้งที่สมหรือเปล่าที่มีการจดจารึกทําที่ไหนทำทำสังขยาณาครั้งที่สามไม่ใช่ทําที่วัดอโศการามเหรอที่เมืองปาทลีบุตรนะใครเคยไปอินเดียไปดูวัดไปดูวัดนี่ไปดูวัดอโศการามมันอยู่อยู่ติดหนทางเลยแหละ เราทราบเราก็ลืมใชแล้วนะไม่รู้ครั้งไหนที่จดจารึกน่าจะเป็นครั้งที่สนะการจดจารึกก็คือจดจารึกเป็นลายลักษณ์อักษรในสมัยนั้นเป็นภาษาบาลีเป็นภาษาบาลีจดจารึกเป็นภาษาบาลีเลยเป็นหลักศาสนาจดจารึกเป็นลายลักษณ์อักษรจดจดจารึกในหนังสือในใบลานบางทีก็จดจารึกในศีลาจารึกเนี่ย นี่คือเป็นหลักเป็นต้นตอเป็นที่มาอยู่อย่างนั้นแต่ที่เราควรจะเข้าใจก็คือคุณธรรมอันบริสุทธิ์ของครุทเจ้ามาได้ยังไงมากับจิตของผู้ที่ตั้งใจปฏิบัติจนเข้าถึงธรรมนั่นเองจึงจะสามารถเอาธรรมะเหล่านี้มาประกาศมาแจกแจงและก็สืบต่อมาจนถึงปัจจุบันมาถึงทุกวันนี้ซึ่งมีพระมีมีพระอริยะสาวกทุกระดับ พระโสดาพระสกิทาคาพระอนาคาพระอาหารหันท่านทั้งหลายคิดว่ายังไม่มีเลยคิดว่าหมดไปแล้วเหรอยังมีอยู่พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสว่าตราบใดยังมีผู้ปฏิบัติตามอริยภักดมีองแปดพระอาหารหันจะไม่สูญไปจากโลกนะพระอรหันจะไม่สูญไปจากโลกพระพุทธเจ้าท่านทรงนิพพานไปแล้วพระอานนท์ถามว่าใครจะเป็นองค์แทนของพระองค์ ท่านบอกว่าพระธรรมวินัยเพราะพระธรรมวินัยเป็นแบบแผนเป็นเป็นแบบแผนเป็นแผนที่เป็นแนวปฏิบัติที่พวกเราได้ยินได้ฟังแล้วเราถือตามประพฤติตามปฏิบัติตามแต่จะต้องปฏิบัติอย่างยิ่งยวดธรรมะเหล่านั้นจึงจะเพึงเกิดขึ้นในหัวใจถ้าเราจะเทียบกับเหมือนกับอะไรอ่ะก็เหมือนกับเราต้องการไฟอันเกิดจากไม้ ท่านบอกว่าถ้าต้องการไฟเอาไม้มาสีกันให้เกิดไฟโดยโดยอุปมาเนี่ยพุทธเจ้าท่านทรงอมตรัะซึ่งเป็นอุปมาที่เกิดขึ้นในพระชัยของพระองค์ก่อนพุทธเจ้าพระรณิพานไม่ก่อนพุทธเจ้าบรรลุธรรมไม่กี่วันมีอุปมาอยู่สีข้อข้อแรกบรุษยังมีกายออกไม่ยังไม่มีกายยังไม่ออกจากกามมีกายยังไม่ออกจากกาม ถึงแม้ว่าจะปฏิบัติธรรมอย่างยิ่งยวดเท่าไหร่ก็ตามท่านว่าเหน็ดเหนื่อยเปล่ามีกายและใจยังไม่ออกจากกามปฏิบัติธรรมอย่างยิ่งยวดก็จะเหน็ดเหนื่อยเปล่าถ้าจะเปรียบเหมือนกับบุรุษต้องการไฟเอาไม้สดที่ชุ่มด้วยยางแล้วก็แช่อยู่ในน้ำเอามาสีให้เกิดไฟน้ํากับไฟมันเป็นปฏิปักษ์ต่อกันอยู่แล้วเราสียังไงมันถึงจะเกิดมันถึงจะเกิดจะเกิดไฟเกิดไม่ได้ ผู้มีกายยังไม่ออกจากกามก็เหมือนอย่างพวกเราอยู่บ้านอยู่ช่องมีครอบครัวมีผัวมีเมีย ม, ม, ม, ม, มีลูกคลุกคลีกันอยู่อย่างนั้นเน่ยท่านเรียกว่ามีกายยังไม่ออกจากกามนะแล้วก็มีจิตยังไม่ออกจากการก็คือจิตหมกมุ่นอยู่แต่เรื่องของกามกับลูกกับผัวกับเมียกับอะไรต่ออะไรสารพัดนี่ท่านเรียกว่ามีกายยังไม่ออกจากการ ม, มีใจยังไม่ออกจากกา ม, มทำความเพียรอย่างยิ่ยงยวด แต่ท่านไม่ปฏิเสธว่าการลงมือทําแต่ละครั้งแต่ละครั้งจะมีวิบากมันจะมีผลปรากฏหลงเหลืออยู่แต่ธรรมะที่เป็นสัจธรรมส่วนละเอียดลึกก็ไปซึ่งเราจะเปรียสัมผัสเปลวไฟที่เราจะพึงได้มันเกิดขึ้นอย่างไม่ได้อาจจากไอที่สดๆจากที่ชุ่มด้วยยางถ้าเราถูแบบไม่หยุดถูไปเรื่อยๆถูไปเรื่อยๆอยางเหล่านั้นมันก็จะเริ่มเหือดเริ่มเหือดไปแต่โอกาสที่ ที่มันจะติดเป็นไฟได้ยากท่านจึงว่าเน็ดเหนื่อยเปล่าแต่ไม่ได้ปฏิเสธว่าคุณสมบัติคือวิบากกรรมเหล่านั้นจะไม่ติดนิสัยของเรานี่มีกายยังไม่ออกจกากกามมีใจยังไม่ออกจากกามบุรุษที่1นึ่งทำความเพียรอย่างยิ่งยวดเน็ดเหนื่อยเปล่าท่านว่าเน็ดเหนื่อยเปล่าเหมือนบุรุษเอาไม้ชุ่มโดยยางแช่อยู่ในน้ําไปถูให้เกิดไฟเกิดได้ยากบุรุษที่2ผู้มีกายออกจากกามแล้วแต่จิตยังไม่ออกจากกาม ยกตัวอย่างเห็นง่ายๆก็เหมือนอย่างพระเนนเราไม่ชีเราเนี่ยหรือแม่ดำแม่ด่างแม่ขาวเนี่ยที่ไปอยู่วัดเนี่ยพยายามทํากายออกจากกามไม่คลุกคลีกับครอบครัวผัวเมียลูกเต้าไปอยู่วัดแต่จิตคิดถึงแต่เรื่องกามเหมือนอย่างหลวงปู่มั่นท่านเห็นหลวงตาองค์หนึ่งอยู่ที่ตีนเขานั่นแหละคิดปรุงแต่เรื่องกามตลอดทั้งคืนนั่นแหละเขาเรียกว่าเอากายออกจากกามอยู่แต่จิตยังไม่ออกจากกาม ในเมื่อ ง, งานสำคัญมันอยู่ที่จิตเป้าประสงค์ที่จะทําให้เกิดธรรมะก็คือจิตจิตคือสิ่งเดียวที่แสดงโลกนี้ให้ปรากฏกับเราถ้าเราไม่มีจิตเราก็เหมือนก้อนหินก้อนหนึ่งเหมือนต้นเสาต้นหนึ่งเท่านั้นเองเหมือนวัตถุที่ไม่มีบีญญาครองอยู่ข้างๆตัวเราเท่านั้นเองผู้มีกายมีจิตยังไม่ออกจากกามทาความเพียรก็เหน็ดเหนื่อยเปล่าเพราะฉะนั้นผู้มีจิตยังไม่ออกจากกามมันก็เข้าลักษณะ กามาสุขาลิกาเนโยกก็เหมือนนักบวชสมัยผู้ที่เจ้าท่าน ท, านทรงออกบําเพ็ญนั่นแหละบางบางอย่างเขาก็บํารุงบําเรอ ด, ด้วยกามก็เหมือนกับว่าเอาไม้ที่เอาไม้สดสดชุ่มดี ย, ยางเอาไปถูให้เกิดไฟก็เปลยนไปได้ยากเน็ตเหนื่อยลําบากเปล่าแต่ท่านไม่ได้ปฏิเสธเรื่องวิบากกรรมที่จะพึงติดเป็นนิสัยเป็นสันดานทีนี้เรามีประเด็นมาแยกแยะวะ่าผู้มีกายยังไม่ออกจากกาม สามารถเอาจิตออกจากกามได้ไหมท่านทั้งหลายลองฟังเหตุผลข้อนี้แล้วท่านจะเข้าใจผู้มีกายยังไม่ออกจากกามถ้าสามารถตั้งใจทําจิตให้ได้รับความสงบจิตเมื่อจิตเริ่มสงบจิตจะเริ่มออกจากกามจิตจะเริ่มห่างจากกามไม่งั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าก็เสียเปรียบสิเพราะฉะนั้นท่านจึงบัญญัติสิญห้า ก็สามารถได้มรดได้ผลได้นิพานศีลแปดศีลสิบศีล227ก็สามารถทำมรดทำผลทำนิพานให้เกิดขึ้นผู้มีกายยังไม่ออกจากกามเหมือนเราอยู่บ้านอยู่ช่องแหละแต่เราหาโอกาสภาวนาให้ใจได้รับความสงบเราคิดถึงตรงนี้เราได้เปรียบพวกเรายังไม่ได้ออกบวชแม้แต่ท่านออกบวชไปแล้วแต่จิตของท่านเนี่ยหมกมุ่นอยู่แต่กับเรื่องกามท่านก็คงไม่แตกต่างอะไรจากเรา ไม่ใช่เราเห็นกค่ตัวเรามาคิดเทียบเคียงอย่างนี้เออเรามีโอกาสเราพยายามทําใจให้ออกจากการมทํายังไงทําใจใออกจากการมภาวนาให้ใจได้รับความสงบปกติจิตของคนเราเนี่ยมันหมกยุ่งหมกมุ่นอยู่แต่ เ, เรื่องกามคิดเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องสัมผัสเรื่องราวสารพัดปัญหาที่จะพึงเกิดขึ้นในหัวใจนี่จะเรียกว่าอารมณ์ของกามจิตของเราเริ่มสงบอารมณ์กามทั้งหลายเหล่านี้มันจะค่อยๆสงบ ทีนี้เรากําหนดให้เขาสงบอย่างเดียวไม่ได้ดต้องมีงานให้เขาทำครูบาอาจารย์ท่านจึงให้เราทําจะให้สงบโดยเอาคําว่าพุโทโธมากํากับมาบริกรรมพุโทโธพุโทโธพุทโธทียิบอย่างเดียวก็ได้ลุตงตาท่านว่าหรือพุโทโธกํากับด้วยลมหายใจเข้าหายใจออกก็ได้เพื่อให้จิตไม่หมกมุ่นคลุกคลีอยู่ในเรื่องของรูปของเสียงของกลิ่นของรสสิ่งเหล่านะั้นมันตกไปเป็นสัญญาอารมณ์สิ่งที่เป็นรูป มโนภาพมันออกมาเป็นรูปสิ่งที่เป็นเสียงก็มโนภาพที่มันติดอยู่ที่ใจเป็นเสียงข้างในเป็นเสียงข้างในเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสัมผัสเป็นเรื่องเป็นราวสารพัดที่มันอัดแน่นอยู่ในหัวใจการที่เราทําจิตให้ได้รับความสงบสงัดจากกามเหล่านี้ทําให้จิตของเราเป็นตัวของตัวทําให้จิตของเราเนี่ยตั้งมั่นแนบแน่นมั่นคงยิ่งเพิ่มพูนทวีคูณไม่หยุดไม่หย่อน ทำให้จิตของเราเนะี่ยมีพลังมีกําลังมีกําลังมีหรือไม่มีท่านลองทําให้เปลี่ยนเถอะมีหรือไม่มีนอกจากมีกําลังแล้วมีฤทธิ์มีเดชมอีอภิญญาเราดูพระอรหันต์ที่เป็นประเภทเจโตวิมุตติพระอรหันต์ประเภทเจโตวิมุตติเท่านั้นที่้าท่านได้วิชาสามอภิญญาหกปฏิสัมพิทาญาอย่างเงี้ยท่านเจริญสมาธิอย่างแนบแน่นมั่นคง เนี่ยสมาธิเลยเป็นพลังเป็นกำลังยังความอัศจรรย์ให้เกิดขึ้นในหัวใจของผู้ตั้งใจบำเพ็ญใครก็ตามทำแล้วคุณสมบัติจะไม่ไ ม, จไ ม, ม่จะไม่เหมือนกันบางคนมีนิสัยสั่งสมอบรมมามีฤทธิ์มีเดชมีปัญญาเราไม่ต้องการก็เป็นก็เหมือนอย่างพระจุลปันทกะ่ะบางคนอยากจะเป็นจะตายไปอยากตาทิพย์อยากหูทิพย์อยากเห็นหนู้นเห็นนี้เห็นเทวดาเห็นเปรตสัตว์นรกอะไร แต่มันไม่มีโอกาสเห็นเนื่องจากว่าเราไม่มีนิสัยแต่ เ, เอาความอยากใส่เฉยๆเท่านั้นเองบางคนท่านมีนิสัยเนี่ยไม่ต้องเรียกร้องสิ่งเหล่านี้ก็เป็นนะแต่ส่วนมากจะเป็นวิสัยพระโพธิสัตว์สิ่งเหล่านี้จะจะมากันง่ายๆเหมือนอย่างหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นท่านมีนิสัยเป็นพระโพธิสัตว์นะซึ่งลุงปลาลุงตาท่านเปรียบเทียบ ว, ว่าถ้าทํำสลาจะเท่ากับว่ามุงหลังคาเสร็จแล้วงั้นนะเป็นห้องเป็นหับเป็นพื้นเป็นอะไรยังไม่เสร็จเรียบร้อย แต่ท่านเห็นความยาวไกลของวัฏสงสารมีความทุกข์ไม่จบไม่สิน้นก็เลยเออเอาเอ า, เอาแค่พ้นทุกข์เถอะพอเวลาท่านย้อนมาแค่นี้ท่านก็นเลยไปได้ง่ายแต่คุณสมบัติเหล่านั้นยังมีอยู่นี่คุณสมบัติของพระพุทธเจ้ามีสิ่งเหล่านี้ไว้ทําไมมีไว้เพื่อทรมานพวกมิจฉาทิฏฐิทรมานพวกดือ้อๆอ่าเหมือนอย่างทรมาน อ, อุลุเวลาเหมือนทรมานพระกสปะอุลุเวลากสปะนั่นแหละ ท่านไปทรมานเป็นร้อยๆเป็นพันๆอย่างเพื่อให้รู้เวลากสับกระเห็นความสําคัญในขณะที่ทรมานคือแสดงฤทธิ์แสดงเดชให้เห็นให้ปรากฏแต่ด้วยเหตุที่มิจฉาทิฐินอกพระศาสนาเนี่ยก็ยึดมั่นถือมั่นในทิฐิเหล่านั้นรู้ที่จะแสดงให้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ในหัวใจแต่ละครั้งแต่ละครั้งมีความชมอยู่โอ้ท่านมีฤทธิ์ท่านมีเดชมากแต่สู้เราไม่ได้เราเป็นพระอรหันต์ทุกครั้งก็ว่าอย่อย่างนี้ ทุกครั้งก็ว่าอย่างี้พุทธย่าก็พยายามเล่งายานอย่างรู้ไปที่จิตตราบใดที่เขายังแข็งกระด้างอยู่ถึงจะบอกสอนธรรมะเด็ดๆไปเขาก็รับไม่ได้ทั้งก็ทรมานไปชนเขาอ่อนลงอ่อนลงอ่อนลงบาราสุดท้ายที่จะได้มีวันหนึ่งฝนตกหนักมากเลยน้ำท่วมน้ำท่วมจนได้แกวเรื อ, อาสาวกของกษัตรเขาอ๊ยไม่ใช่น้ำพัดพาพระโค ด, ดมไปแล้วเหรอพากันแกวเรือไปดู ก็เห็นน้ํามันแห่เป็นช่องพระพุทธเจ้าของเราเดินจงกลมที่ฝุ่นคลุ้งอยู่ท่ามกลางน้ำํำแต่น้ำเนี่ยกลายเป็นกําแพงกั้นน้ําเองไม่สามารถจะเปียกทางจงกรมทีพระพุทธเจ้าเดินอยู่กลมได้เกิดอัศจรรย์เฮ้ยมีฤทธิ์มากมีเดชมากมีอานุภาพมากแต่สู้เราไม่ได้เราเป็นพระรพอรหันต์เพราะมาถึงวรรคตอนนี้เนี่ยแกล้งว่าเฉยๆนะเชื่อพุทธเจ้าเต็มร้อยแล้วนี่เรดาพระพุทธเจ้าจับเข้าไปที่ใจของอุรุปรกสปะ พอเวลาขึ้นบกไปปับ๊บนะเพื่อที่จะพาพระพุทธเจ้าไปสเสวยไปฉันพัฒหานั่นแหละพุทธิยาพบดูประชจิตเห็นว่าเขาลงเต็มที่เต็มร้อยแล้วพระ อ, องค์ก็ใส่เลยเลยทีนี้กัสปะเธอมีแต่ความสำคัญว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์แท้ที่จริงข้อปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอรหันต์เธอก็ยังไม่รู้จักโอ้โหเขาอ่อนยวอกราบปลอกขอบวชทันที น, น่า วิสัยของพระศาสดามีฤทธิ์มีเดชสำหรับทรมานพวกเรือเดือยอย่างนี้แหละมิจฉาทิฐิมากมายมหาสารยิ่งสมัยพระองค์ทรงพระชนอยู่ด้วยแล้วยุคสมัยของพระองค์เนี่ยเราฟังดูแต่พวกครูทั้งหเอวยอพวกไอเจนโลกเอยพวกสัญชัยเอยพวกปริภาชกพวกอะไรต่ออะไรเนี่ยเต็มไปหมดไปบอกไปสอนต่างคนต่างก็มีลูกศิษย์เต็มไปหมดพนะทธิทย่อทาไงอะ พุทธิยเจ้าทำไมในใ น, ในเมื่อพระชะน้นพระองค์จึงเล็งเห็นโอ้ถ้าเราไปแย่รังแตนแย่รังตัวนี้ได้เราก็จะได้พระเสด็สาวอย่างเร็วพุทธิยาท่านให้ความสำคัญกับพระสงฆ์สาวหลังจากมีพระอรหันเกิดขึ้นในโลก61องค์รวมทั้งพระองค์ด้วยเป็น61องอ่าเสร็จแล้วพระองค์ก็ทรงไปประก า, รระาศศาสนาเธอทั้งหลายจงรีบไปไปอย่าซ้ากันให้เป็นสอง ไปทางละองค์ทางละองทางองค์รีบเอาธรรมะเอาศีลสมาธิเอาปัญญานี่แหละไปสอนให้เขาเอาน้ําเย็นๆไประ ง, งับไปดับไฟในหัวใจของเขารีบไปรีบไปอย่าชักช้าแม้แต่เราเองเราก็จะไปที่ตําบลอุรุเวลาเสนานิคมแต่ยิ่งอุรุเวลาเสนานิคมก็คือเป็นเป็นดินแดนที่พระองค์ได้ตรัสรู้ธรรมนั่นเองนะที่พุทธคยานะี่ยนะเป็นดินแดนที่พระองค์ได้ตรัสรู้ธรรมไป ก็พอรู้เวลาข้าสึกเขาก็ตั้งอาสมอยู่แถวนั้นมีรวมทั้งพี่ทั้งน้องน่ยมีบริษัทบริวารทั้งเป็นพันพอไปทรมานพี่ได้น้องคนที่2มีบริวาร300น้องคนที่สมีบริวารส0งรวมเป็น 1,000 กับ3ามองค์พุทธเจ้าไปทรมานทรมานพี่เสร็จน้องชายตามมาขอบวชอ่าพาบริษัทบริวารบวชน้องชายคนสูท้องตามมาเห็นขอบวช เสร็จแล้วพระองค์ก็ไปทร ง, ง, งแสดงทำอาทิตตปริยายสูตรที่ขยาศีสะงคคือที่ต้นน้ําขยาเขาตั้งอาสมอยู่ที่ต้นน้ำ ต, ตั้งอาสมอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ําขยาพุทธเจ้าเลยพาสาวกทั้งหน่งพันสองค์เนี่ยไปแสดงทำอาทิตตปริยายสูตรอาทิตตปริยาตสูตรนี่แหละ ท, ท, ที่พระพุทธเจ้าที่พระแม่กุบยาจารย์หลวงตาท่านท่า น, ท, านท่านลงใจ ว่าท่านพูดถึงความเบื่อเบื่อรูปเบื่อเวทนาเบื่อสัญญาเบื่อสังขารเบื่อวิญญาณแล้วก็เบื่อใจโดยที่ท่านเห็นว่าเอ้ในอนัตตลกนาสูตรท่านไม่ได้พูดถึงเบื่อใจอย่างที่ทาอาจารย์อินท่านปรารถให้พวกเราฟังไปแล้วนั่นแหละนี่เพราะงั้นกูบะอาจารย์ท่านกลุยหมายป้ายทางให้พวกเราได้ยินได้ฟังเป็นข้อสังเกตเอาไว้เป็นข้อสังเกตอเ อ, เตอาไว้นี่เราพูดถึงอะไรนะ เราพูดถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าที่สืบทอดมาจนถึงพวกเรานี้ใครจะสามารถไปจําคําของพระพุทธเจ้าทุกอิทุกขีมาเขียนว่าอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เป็อนอ่าเพียงแต่สมัยทำสังขยาครั้งที่สมแล้วก็เอาความรู้เอาธรรมะที่บริสุทธิ์ในหัวใจคนนั้นว่ายังไงคนนั้นว่ายังไงคนนั้นว่ายังไงเราทรงกันมาอย่างไงอย่าลืมว่าผู้ที่เข้าถึงธรรมนั่นแหละทุกอย่างเป็นธรรมไปหมดท่านจะคิดเรื่องโรค ท่านจะคิดเรื่องโกรธเรื่องหลงก็คือธรรมะหลงนั้นเป็นผู้ดำริท่านเกี่ยวข้องกับอะไรท่านเกี่ยวข้องกับอะไรจิตของท่านเข้าถึงอะไรยังไงเป็นอัดเป็นทำไปหมดเพราะชนธรรมพูดของท่านของท่านนเป็นสัจจะทั้งหมดเป็นอัดเป็นทำทั้งหมดพอที่ท่านเข้าถึงธรรมแล้วแม้ท่านจะดูหนังสือพิมพ์แม้ท่านจะพูดถึงท่านจะพูดถึงเรื่องกามแม้ท่านจะพูดถึงเรื่องยาบคายอะไรทั้งหลายทั้งปวง เป็นสัจจะเป็นความจริงทั้งหมดเพราะใจของท่านเข้าถึงความจริงตรงขันข้ามกับพว ก, พวกเราที่ใจยังจอมปลอมเราจะเอาสัจธรรมของพระพูธของพระเจ้ามาพูดมันก็ยังเป็นของปลอมมันเป็นของจริงของพระรูปเจ้าของพระสงฆ์สาวกพระอริยาสาวกแต่ยังเป็นของปลอมสําหรับเรายังเป็นของปลอมสําหรับเราเพราะฉะนั้นเราจะเอาอะไรมาเป็นประจักษ์พยานได้เอาข้อปฏิบัตินี่แหละ มาทำมาขัดมาสีมาถูอ่าเหมือนอย่างที่เขาต้องการไฟนั่นแหล ะ, ะมีกายยังไม่ออกจากกามมีจิตยังไม่ออกจากกามถูถูทำความเพียรด้วยเรียวแรงเน็ตเหนื่อยเปล่าเหมือนน้ำํำเหมือนไม้ชุ่มด้วยยางแล้วก็แช่อยู่ในน้ําบุรุษต้องการไฟเอามาทําให้เกิดไฟได้ยากฉันใดผู้มีกายออกจากกามแล้วแต่จิตยังไม่ออกจากกามก็เหมือน ไม้สดชุ่มเลยยางถึงแม้จะอยู่บนบก mm. ก็ไม่สามารถจะเสียเกิดไฟได้เพราะน้ำยังไม้ ย, ยังสดอยู่แต่ถ้าหากเรายังไม่ออกจากกามเรามีกายยังไม่ออกจากกามเราเอาจิตออกจากกามได้ด้วยการทําใจให้สงบใจของเราเริ่มสงบใจของเราก็จะเริ่มออกจากกามเนี่เราไม่เสียเปลี่ยนแล้วตอนนี้พวกเราไม่สามารถสามารถจะทำ จิตของเราให้ออกจากกามได้ทำให้ห่างจากกามได้ทำให้กามไม่กำเริบในหัวใจได้เหมือนบุรุษคนที่สองบุรุษคนที่สามเหมือนผู้ต้องการจะทำไม้ให้เกิดไฟสีไม้ให้เกิดไฟเอาไม้สดไม่เอาไม้สดละเอาไม้แห้งอยู่บนบกและมาทำมาสีกันให้เกิดไฟมาตั้งมาเสียดมาสีอย่างถูกต้องตามวิธีแต่สีไปสีไปสีไ ป, ไปแล้วก็หยุด สีไปสีไปสีไปแล้วก็หยุดไอ้ไฟธรรมชาติแบบนี้มันเกิดขึ้นจากการเสียดสีเพราะสีไปสีไปสีไปสักหน่อยหนึ่งเหนื่อยก็หยุดเหมือนพวกเราเรียนรู้อายะมะอริยมรรคมีองค์แปนั่นแหละครบรถีทุ่นหมดทุกอย่างแต่ก็ทําหยุดทำแล้วก็หยุดทำทำแล้วเนื้อแล้วก็หยุดทำทำแล้วเนื้อแล้วก็หยุดถ้าเราจะเทียบกับสีมาให้เกิดไฟเพราะสีไฟสีไปสีไปยังไม่มีไฟปรากฏเลยแล้วก็หยุด ในระหว่างที่เราหยุดไฟยังอยู่เท่าเดิมไหมไฟอยู่เท่าเดิมไหมความร้อนที่เกิดขึ้นอยู่เท่าเดิมไหมก็จะเริ่มเย็นก็ไปอีกแล้วคิดได้วัตถุอีกแล้วเริ่มร้อนอีกหยุดอีกเริ่มร้อนอีกหยุดอีกเนี่ประหุดเช่นนี้สามารถทําไฟให้ได้ใช้ไหมไม่สามารถจะทําไฟได้ใช้เหมือนบุคคลประรบธรรมะถูกต้องตามหลักอริยมรมีองค์แปดแต่ก็มีความภาคความเพียรไม่พอประรบความเพียรไม่ต่อเนื่อง เราดูข้อนี้เป็นอุปมาเอเราหรือเปล่า เ, เราดูข้อนี้ฟังข้อนี้เป็นอุปมาเราหรือเปล่าทําไมเราจรึงไม่ไม่ไปหน้ามาหลังเราหรือเปล่าเราเป็นคราว่าเราสามารถเอาใจออกจากกามได้ด้วยการเภาหนาใจได้รับความสงบครูบาอาจารย์สมัยยุคสมัยทุกวันนี่แหละครูบาอาจารย์บางองค์ท่านเป็นพระสวัสดบบาบันตั้งแต่เป็นพระขาวอยู่ก็มี พราะเราเ ค, คงจะเคยได้ยินได้ฟังถ้าหากใครไม่รู้จักไปหาถามๆกันดูพอลงตาท่านพูดเอาไว้ท่านเป็นคราวาตาวอยู่นั่นแหละท่านจะบวช ท, ท, ท่านได้เปลี่ยนพระโสะดบบาบันตั้งแตยยง่ยังเป็นพระขาวอยู่ก็เพราะอะไรเพราะท่านเอาใจออกจากกามได้เอาใจออกจากกามได้ถึงแม้ว่ายังไม่ได้ถือเพศเป็นบนรรพชิตก็ตามท่านสามารถเดินมักเดินผลให้เข้าสู่มักผลได้ อย่างน้อยๆก็เป็นพระสวัดิ์บัณฑ์จิตเข้าถึงกระแสธรรมแล้วจิตเข้าถึงกระแสธรรมเหมือนกับเราได้โดดลงไปสู่กระแสน้ําแล้วกระแสน้ําเจ้าพญาเนี่ยจะไหลไปเรื่อยไหลไปเรื่อยไหลไปเรื่อยกว่าจะถึงมหาสมุทรไหลไปเรื่อยไม่ไปไหนไม่ไปไหนแน่ๆกระแสน้ําของแม่น้ําเจ้าพญาไหลไปเรื่อยไหลไปเรื่อยไหลลงมหาสมุทรแม่น้ําใดก็ตามที่อยู่ใกล้ฝั่งทะเลไหลลงมหาสมุทรทั้งนั้นเวลาลงไปถึงมหาสมุทร ไม่สำคัญว่าน้ําสายนวลน้ําสายนี้น้ําสายไหนทั้งนั้นกลายเป็นธรรมเหมือนกันหมดนี่ครูบาอาจารย์ท่านพูดเปรียบเทียบนี่บุคลบคลที่สบุคคลที่สคือบุคคลต้องการไฟเอาไม้สดเอาไม้แห้งแล้วเอามาทำอย่างถูกต้องตามวิธีที่จะทําให้เกิดไฟถูไปอย่างสม่ําเสมอแล้วก็ถูหนักเข้าไปเรื่อยทําความเพียนต่อเนื่องทําความเพียนหนักหน้าเข้าไปเรื่อยหนักหน้าเข้าไปเรื่อยหนักหนไปเรื่อย ยิ่งขัดสีไปเท่าไรความร้อนก็ยิ่งสังสมเข้าไปสั่งสมเข้าไปสั่งสมเข้าไปสั่งสมเข้าไ ป, าไปจนสามารถทําให้ไม้ตรงนั้นเป็นเขา่าดําๆขึ้นมาแล้วแน่สัญลักษณ์บอกสัญลักษณ์บอกไฟจะเกิดแล้วเป็นฐานดําำขึ้นมาเป็นควันขึ้นมาเป็นฐานแด ง, แดงขึ้นมาเอาปากเป่าพุได้เปลวไฟได้ไฟใช้เรามาคิดดูว่าก่อนที่จะได้เปลวไฟใช้เนี่ย ถ้าเกิดเราหยุดจะเป็นยังไงความร้อนน่าก็หมดไปอีกแล้วที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าเหลือเดนตายเหลือเดนตายเหลือเดนตายตรงนี้แหละขา้าหลุดควา้าหลุดควา้าหลุดไม่ตายให้ได้ไม่ได้ตายไม่ตายให้ได้ไม่ได้ให้ตา ย, ตา ย, ดตายเดยนตายตรงนี้แหละหมายความว่าควันมันออกแล้วขาแดงๆออกแล้วปาเป่าเข้าไปแล้วได้ไฟใช้อันนี้คือเกณฑ์ของทําาความการทําความเพียร เราฟังเกณฑ์นี้แล้วเรามามาเที่ยวกับเราเราเป็นบุคคลประเภทที่หนึ่งหรือเปล่าอ่าเหมือนไม้สดชุมด่ม้วยยางและแช่อยู่ในน้ำอีกมีกายยังไม่ออกจากรรมมีใจยังไม่ออกจากรรมหรือเราเป็นบุคคลเป็นบุเป็นเหมือนบุคคลประเภทสองกายออกจากรกรมแล้วแต่ใจยังไม่ออกจากรรมอันนี้ครววาเราสามารถเอาเปรียบได้เราพยายามทำใจให้ได้รับความสงบเราอยู่บ้านคลองเรือนี่แหละ สามารถทําใจได้รับความสงบเอาใจออกจากกามได้นะแล้วก็ทําความเพียรทําได้มักได้ผลศินห้าทั้งก็ถือว่าสามารถทำมักทำผลให้เกิดขึ้นอมไม่ห้ามนิพานาแต่ถ้าหากสินข้อใดข้อหนึ่งขาดไปพร่องไปเนี่ยอไอ้ตัวนั้นมันจะเป็นตัวรั้งดึงเราลงต่ําแล้วแทนที่เราจะได้เกรดเต็มที่ก็ไม่เต็มที่ยังบินอยู่แต่ถ้าหากสินบริสุทธิ์หมดจดโดยเชื่ิง เหมือนอย่างท่านสอนพุทธทวิจนะท่านบอกว่าแค่ทําจิตแค่ทําศีลให้บริสุทธิ์เท่านั้นเป็นพระสวสดาบัลแล้วท่านว่านนะแค่ศีลให้บริสุทธิ์ศีลห้าให้บริสุทธิ์นั้นน่ะเป็นแค่องค์ประกอบองค์หนึ่งเท่านั้นเององค์ประกอบอื่นๆมีมากมายเยอะแยะไปท่านไม่เอามาพูดแต่ก็ดีมกันเป็นเหตุให้พุทธบริษัทของเราเได้กําลังใจเออศีลห้าเราเป็นศีลห้าเราก็เป็นพระสวสดาบาลได้ระวังไปถือศีลศห้าเคร่งครัด และไปสําคัญตัวว่าเป็นพระ พ, พระโสดาบันก็นแล้วกันละ่ะระวังให้ดีนะยังมีองค์ประกอบอีกอย่างอื่นเยอะแยะสมาธิแนบแน่นมั่นคงระยางเป็นอาธิจิตระยังปัญญาที่จะเดินให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเดินแล้วยังถ้ายังไม่เดินชะไหนเลยแค่ถือศีลห้าจะได้เป็นพระโสดาบันไปยังไม่ได้นะโสดาบันท่านเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาขั้นหนึ่งระดับหนึ่งของท่าน จนสามารถลัสักกายทิฏฐิได้สําคัญว่าตัวเองเป็นกายกายเป็นกายเป็นตนตนเป็นกายกายมีในตนตนมีในกายสามารถละความเห็นอันนี้ได้เห็นสักจะว่าเป็นสภาวะธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นสักจะว่าเห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟประจักษ์ชัดเจนในหัวใจของตัวเองที่ท่านเรียกว่าสักกายทิฏฐิละสักกายทิฏฐิ เดี๋ยวนี้พวกเรามันยากลาบากกับการละส ก, กายทิฐิเนี่ยเพราะอะไรเพราะความสำคัญมั่นหมายเนี่ยทำให้เราหลงทำให้เราเพลินทำให้เราเข้าใจสิ่งที่ตามมาคือทิฐิมานะยึดถือด้วยมานะอัตตาตัวตวนมันก็โผล่ขึ้นมาโอกาสที่จะเห็นอนัตตา ม, มันจะเห็นได้ยังไงพริพุทธเจ้าท่านทรงตั้งปรัชญานี้ขึ้นมาในยุคนั้นสมัยนั้น มันเป็นปรัชญาที่แหลมคม ด, ด่งดังทิ่มแทงไปในหัวใจของพวกศาสนาพราหมณ์เขาศา ส, สนาพราหมณ์เขาบัญญัติว่าพระนิพพานเขาเป็นอัตตานะพวกพราหมณ์นะอัตตาอัตมันฟังจะว่าอัตมันอัตมันแล้วก็ทําจิตให้ได้ความสงบเมื่อสงบแล้วตายไปพร้อมกับองค์ประกอบคื่อความสงบจะได้ไปประเกิดไปเกิ ด, ไ ป, กดไปเกิดรวมกันกับพระพรหมที่เรียกว่าปรมาตมันปรมาตมัน เขามาพูดถึงแค่รูปธรรมเท่านั้นเองนามธรรมา ท, ท่านไ ม, ไม่ได้พูดถึงแต่ท่านพูดถึงความสงบอยู่พวกศาสนาพราหมณ์คนนี้เขาก็เล่นความสงบมากก็เหมือนอย่างอุทกดาษอรารดาบ ท, าาบทยุคนั้นสมัยนั้นฤาษีชีไพรก็มีความสงบสามารถได้ทั้งรูปธรรมรูปปรรัสมะบติสามารถได้ทั้งอรูปปัสมะบติแต่ก็ติบตันอยู่ในนั้นสิ่งเหล่านี้ยังจมปลักอยู่ในหกสกว่าทิฏฐิที่พรพุทธเจ้าท่านทรงตรัสเอาไว้ ไม่สามารถจะแห ว, ว่ออกไปจากกองขายขออกิเลสตัณหาอาสวะไปได้เนื่องจากไม่เห็นอนิจจังไม่เห็นทุกขงังไม่เห็นอนัตตาอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนนั่นเองศนะาสดาบางศาสดาในสมัยพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่มีศาสดาท่านสอนถึงเรื่องอนิจจังทุกขงังแต่อนัตตาตีปตันสอนไม่ได้อนัตตาตีปตันสอนไม่ได้พนะระพุทธเจ้าท่านมาสอนอนิจจังทุกขังอนัตตา สังขาราสังขาราอนิจจาสังขาราทุกขาสังขาราอนัตตาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเราดูไปที่สังขารคือสิ่งปรุงสิ่งประกอบสิ่งปรุงสิ่งประกอบท้าเรียกว่าสังขารสังขารรูปประกอบกับสังขารนามเป็นเราเนี่ยเป็นเรานั่งตองมองแตงแมงอยู่เนี่ยเป็นสังขารรูปกับสังขารนามประกอบกัน สังขารรูปก็มีอีกอย่างหนึ่งประกอบกันเป็นสังขารรูปที่เรียกว่ากายในกายสังขารสังขารนามก็คือสิ่งที่เป็นอารมณ์ที่เกี่ยวข้องกับใจเกี่ยวกับผู้รู้เช่นอย่างเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณท่านก็นถือว่าเป็นสังขารเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นผลิตผลของกิเลสเป็นเครื่องมือของกิเลสเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นเครื่องมือของกิเลสผู้รู้ของเรา เบื้องต้นไม่ปรากฏแต่ว่าทราบได้แต่ว่าผู้รู้เกิดขึ้นมาแล้วเอาความไม่รู้ตามมาด้วยด้วยเหตุที่เราไม่รู้รอบขอบชิดไม่ได้ฝึกปรือไม่ได้สนใจที่จะมาย้อนมาดูต้นตอองตัวเองก็เลยมีความหลงไปเรื่อยหลงไปเรื่อยที่จะเรียกว่ายังความโลภมาให้ยังความโกรธมาให้อยังความอิจฉาริษยาพยาบาทมาให้ คือจิตที่ยังไม่ได้ย้อนมาชำระมาขัดเกล่าซักฟอกตัวเองมีผู้รู้มาพร้อมกับสังขารเหล่านี้ที่ท่เรียกว่าจิตมีสังขารจิตตะสังขารจิตของพระอริยเจ้าจิตของพระอาหารหันต์ไม่มีสังขารเข้าไปเกี่ยวข้องท่านเรียกว่าวิสังขารวิสังขารเป็นหนึ่งเดียวที่ครูบาอาจารย์ท่านพูดเอาไว้เนี่ยเป็นหนึ่งเดียวไม่เกี่ยวกับสิ่งใดเวลาอัตภาพดับไปแล้ว พระจิตที่บริสุทธิ์หรือจิตที่บริสุทธิ์ของท่านหมดตัณหาหมดอุ ป, ปาทานหมดภพหมดชาติอยู่แล้วดํารงตนบริสุทธิ์อยู่อย่างนั้นไม่มีการเวลาเข้าไปเกี่ยวข้องไม่มีสถานที่เข้าไปเข้าไปเกี่ยวข้องดํารงตนอยู่อย่างนั้นตลอดอนันตการคำว่าอนันตการก็คือไม่มีขอบเขตจํากัดแลดงผู้รู้ที่บริสุทธิ์นั้นไม่หมดไปจากโลกนะยังมีอยู่ในโลกเพราะธาตุรู้ของเรานั้นแหะ เอาของที่มีอยู่ดั้งเดิมในโลกมาเกิดเหมือนธาตรู้ของเราทุกๆคนเอาของที่มีอยู่ในโลกมาเกิดไม่ใช่เอาของไม่มีมาเกิดของไม่มีแต่ไหนแต่ไรมาเย่ไม่มีอะไรสืบทอดมาต่อเนื่องมาเอาของที่มีอยู่ในโลกมาเกิดรูปรปธรรมสิ่งที่เป็นธาตรู้สิ่งที่เป็นรูปธรรมก็เอาของที่มีอยู่ดั้งเดิมในโลกมาเกิดที่พรพุทธเจ้าทรงตรัสว่าธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟ นี่คือวงจรกระแสการเกิดเป็นมนุษย์เป็นสัตว์มีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้แต่ด้วยเหตุที่มันน่าเข็ดลาบตอนที่ว่าเวลาเกิดขึ้นมาแล้วมีความทุกข์มาครอบงํามีความทุกข์มาครอบงําเดี๋ยวดีใจเดี๋ยวเสียใจเดี๋ยววิโยคเดี๋ยวพลาดพราดเดี๋ยวได้มาเดี๋ยวเสียไปเดี๋ยวคนใส่ร้ายอย่างนั้นใส่ร้ายอย่างนี้เดี๋ยวเจ็บไข้ได้ป่วยเดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี้เดี๋ยวตายที่เรียกว่าเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตาย จึงเป็นภาวะที่มนุษย์ทั้งหลายนี่หน้าเข็ดหน้าลาบจึงเป็นเหตุให้มีต้องมีพระศศดาเกิดขึ้นมาเพื่อคน้นคว้าเพื่อหาช่องทางเมืออ่อพระพุทธเจท่านทําความคล่องใจว่าอะไรเป็นเหตุให้เกิดแก่เก็บตายกันแน่ท่านเลยออกศึกษาค้นคว้าเพื่อหาสิ่งเหล่านี้แหละพระพุทธเจาท่านออกบวชเพื่ออะไรเพราะอะไรเพราะฉะนั้นจึงบรรดาใ้เห็นเทวทูตเห็นไหมเห็นคนแก่เห็นคนเก็บเห็นคนตายและเห็นสมณะนนั้นคือช่องทางที่จะพึงออก ด้วยเหตุที่มีวิสัยของผู้เช่นนี้และด้วยเหตุที่เรียวแรงที่สร้าง ส, างสมอบ ร, รมบุญญาบารมีสอสงขัยแสนมหมากับแปอสงขัยแสนมหมากับ16อสงขัยแสนมหมากับจึงเกิดขึ้นมีขึ้นเพื่อปรารถนาเป็นมหาสัตว์พระมหาสัตว์สามารถจะมารือ้อมาฟื้นสัตว์ทั้งหลายใ ห, ให้พ้นไปจากวัฏสงสารเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายตราบใดที่เรายังหลงอยู่กับ การเกิดการแก่การเจ็บการตายไม่เห็นโทษในการเกิดในการแก่ในการเจ็บในการตายเจ้าเราจึงคลุกคลีหมกมุ่นอยู่ติกับสิ่งเหล่านี้ไม่เคยสนใจไม่เคยฝึกไม่เคยสนใจไม่เคยรู้เนื้อรู้ตัวแล้วก็ยินดีแล้วก็พอใจอยู่อย่างนั้นสุขบ้างทุกบ้างทุกบ้างสุขบ้างสุขบ้างทุกบ้างทุกบ้างสุขสุขดิบๆบอยู่อย่างนี้ชาติไหนกับกันโบราณชาติไหนเราก็จะดำรงตนอยู่อย่างนี้แต่ถ้าหากเราเข็ดหลาบในการเกิดในการแก่ในการเจ็บการตาย เหมือนพระบารมีของพระพุทธเจ้าที่ท่านถึงแล้วท่านเห็นโอ้เห็นคนแก่โอ้เราก็ต้องแก่เห็นคนเจ็บโอ้เราก็ต้องเจ็บเห็นคนตายโอ้เราจะต้องตายนี่ส ม, มณะนี่แหละเป็นช่องทางที่เราออกไปแสวงหาความสงบวิเวกได้สติได้ปัญญาพิจรารณาเห็นศักดจตธรรมเหล่านี้ได้เปมเป็นเหตุให้พระองค์ตั้งประเด็นว่าอะไรเป็นเหตุให้เกิดให้แก่ให้เจ็บให้ตายกันแน่จนเป็นเหตุให้พระองค์ได้บรรลุธรรมในวันเพียรเดือนหกนั่นเอง บุญญาบารมีเต็มเปี่ยมแล้วพวกเราทั้งหลายโชคดีมากเกิดในกับที่ท่านเรียกว่าพัทธรกับพัทธรกับมีพระพุทธเจ้าถึงห้าพระองค์กับบางกับไม่มีพระพุทธเจ้าไปอบัดนะกับบางกับมีพระพุทธเจ้าไปบำบัดหนึ่งองค์สององค์สามองค์แต่กับนี้เป็นกับที่มีพระพุทธเจ้ามาบำบัดถึงห้าพระองค์พระกากูสันโธเขาก็ลงไปแล้วพวกเราไปอยู่กันที่ไหนอ่าพระโคนาคมโน ท่านก็ล่วงไปแล้วพระกัสโปรุรีเย้ากัสโปล่วงไปแล้วพวกเราไปอยู่ที่ไหนพระโคตโมทั้งๆ ท, ที่เรารู้อยู่ถ้าเรายังไม่ตื่นเนื้อตื่นตัวมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ตามจี้ตามตน้นให้พวกเราตื่นเนื้อตื่นตัวถ้าหากยังไม่ลืมเนื้อลืมตัวไม่ยังไม่ตื่นเตือน ต, ตื่นเนื้อตื่นตัวแล้วอย่าหวังเลยว่าเราจะได้ไปกับขบวนของพระเริยเมตรยัยผู้ที่จะไปกับพระเสีริยเมตรัยนั้น คือผู้ที่พยายามจะสอบให้ผ่านพระกุสันโธก็ยังผ่านไม่ได้พยายามจะสอบให้ผ่านตั้งแต่พระกัตสโปรพระโคตโมก็ไปยังไม่ได้พอมาถึงพระศีอริยเมตตโยเป็นกระบวนสุดท้ายทีพ่พระองค์จะตามมาเก็บพวกเราไปได้อย่างแน่นอนคนในยุคนั้นเป็นคนที่มีบุญบุญนี้ต้องสั่งสมนะถึงจะเกิดขึ้นถึงจะมีขึ้นอย่าประมาทเกี่ยวกับเรื่องบุญเพราะบุญเท่านั้นแหละ ที่จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นพระเป็นกำลังให้กับเราพอที่จะลืมตาอ้าปากพอที่จะทำจิตให้ได้รับความสงบพอที่จะทำจิตให้เกิดปัญญาเห็นโทษเห็นภัยในวัฏฏะสงสารพื่อที่จะก้าวให้พ้นไปได้นี่เราพูดถึงอะไรมากมายเยอะแยะเราพูดถึงปฐมสังขยาครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สครั้งที่4ครั้งที่หครั้งที่6มีแต่หลังจากมีการจดจารึกขึ้นมาแล้ว เพราะฉะนั้นเราศึกษาพระพุทธศาสนาบางทีพุทธบริษัทเราเนี่ยขาดการฝึกฝนอบรมขาดการได้ยินได้ฟังด้วยบางทีอยู่ใกล้วัดปา่าครูบาอาจารย์แท้ๆบางคนก็ไม่เคยสนใจแม้แต่คําพุทโธพุทโธ ย, ย้อนมาดูใจตัวเองก็ไม่เคยสนใจนี่คนเช่นนี้เราถือว่าเราไม่มีโอกาสที่จะพบพระเสียรยเมิตรใจละประยุคนั้นเป็นคนที่มียุคของคนที่มีบุญมาเกิดถ้าหากเราปรารถนาตั้งใจอย่างยิ่งยวดเรไปยังไม่ได้ ยุคสมัยของพระองค์นั่นแหละจะมาเก็บตกพวกเราตกจากพระกักุสันโธพระโคนาคมโนพระกัสสปโพระโคตโมพระศีอริยะเมตไยโยมาเก็บเราไปเรียบไม่ต้องสงสัยไม่ต้องตั้งความปรารถนาถ้าท่านมีเกรดมีดีกรีพอท่านพกแน่นอนใครมีโอกาสได้ฟังธรรมะสมัยพระโอมาบัตคนนั้นมีโอกาสที่จะได้บรรลุอริยธรรมเพราะเป็นคนดีนะเป็นคนดี เป็นคนตั้งใจฝึกฝนอบรมเห็นโทษเห็นภัยในวัฏสงสารเนี่ยพวกเราควรจะสนใจเรื่องคาบอกคำสอนควรจะสนใจเรื่องสินสินของตัวเองสินห้ามีอะไรบ้างขยับเข้ามาอีกศิลแปดมีอะไรบ้างขยับมาอีกบวชเป็นสามเณรศินสิบขยับมาอีกศินสองี่สิบเดเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เขาพยายามดันให้มีสิน3 1 1รเของพิษุนี วัยนี้เห็นรูปภาพปรากฏออกมาว่ามีพิษุณีบวชแท้จริงพิษุณีนั้นคือพระผู้หญิงถือศีลสินเอ1แต่ก็ขาดยุคขาดช่วงไปตั้งแต่นางอ ะ, อะไรนะนางอะไรนะสังกะนางสังฆมิตราพิษุณีเป็นลูกของพระเจ้าอาโศกเนี่ยหลังจากยุคนั้นมาแล้วไม่ได้กล่าวถึงนะต้นตำนานไม่ได้กล่าวถึง พระยาโศกนะท่านไปทําบุญเมื่อก่อนนั้นเป็นนักรบฆ่าคนมากมายมหาศาลตอนหลังมากลับใจเริ่มสายพุทธศาสนาอ่าแล้วก็ไปสร้างสถูปอ่าแล้วก็หาพระาธาตุไปบรรจุแปดหมสี่พันสถูปทั่วชมพูทวีปอ่าแล้วก็ไปถามพระโมคคัลลีบุติติสเถระโยมทําบุญถึงขนาดนี้แล้วยมเป็นญาติกับพระศาสนายัางยงังทำไง ย, ยมถึงจะเป็นญาติกับพระศาสนาได้ มีลูกหญิงให้บวชมีลูกชายให้บวชถ้าบวชแล้วถึงจะได้ชื่อว่าเราเป็นญาติกับาศาสนาเดี๋ยวนี้ใครมีลูกหญิงลูกชายหลายๆคนแล้วไม่ให้บวชไม่ได้เป็นญาติกับาศาสนานะมีลูกชายสองคนก็ฝากพุทธเจ้าวไว้สักองค์หนึ่งมีสองสามคนก็ฝากไว้สักหนึ่งคนบางคนมีสองสามคนผู้ชายไปบวชเป็นญาติขพุทธเจ้าเป็นญาติของศาสนาหมดเลยอะ นี่เราพูดถึงเราพูดถึงภิกษณุณีซึ่งมีนางสังคะ ม, มิตาภิกษุณีเป็นตอนหลังแต่พอภิกษุณีขาดช่วงไปแล้วเนี่ยหาภิกษุณีที่จะเป็นอุปชัายะไม่มีเดี๋ยวนี้สาเหตุที่มีเพราะเขาสมมุติขึ้นเกิดขึ้นจากไต้หวั น, น, นเขาไปบวชที่สีลังกาเราเคยไปสีลังกาครั้งหนึ่งที่ดัมบุล่าวัดดัมบุล่าดัมบุล่า นี่แหละเขาบอกว่านี่แหละคือต้นต่อที่บวชพิษุนีแต่มาทราบภายหลังว่าผู้ที่บวชให้พิษุณีที่เป็นคนไต้หวันคนนั้นโอ้โหได้รับผลประโยชน์เพียบเลยแหมมันออกไปช่องนั้นนะเลยกลายเป็นว่าใครอยากบวชพิษุนีก็ไปบวชที่ไต้หวันได้เดี๋ยวนี้มันชักเริ่มระบาดมาเมืองไทยน่าจะมีกันเยอะแล้วน่าจะมีกันเยอะแล้วแท้ที่จริงมรรคผลนิพพานนั้นเราถือศีลห้า ปฏิบัติให้เคร่งครัดสมบูรณ์บริบูรณ์สามารถทำมรรคทำผลได้ศินแปดขยับขึ้นมาอีกท่านจะทิ้งสินแล้วท่านจะเจริญสมาธิมันก็จะด้ยากเมื่อท่านทิ้งสมาธิด้วยแล้วอย่าไปหวังเลยว่าท่านจะเห็นสัจธรรมด้วยปัญญาได้เนื่องจากว่าเราไม่มีกําลังพอที่จะไปขับต้อนตามรู้กิเลสตัณหาอาสวะในหัวใจของเราตัณหาในหัวใจของเราคือการมาตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหา เราพูดแบบภาษาไทยไทยของเราว่าความอยากในหัวใจความอยากของเกลเ่อนในหัวใจของเราเราดูออกความอยากที่เป็นธรรมในหัวใจของเราเราดูออกความอยากปฏิบัติให้เป็นไปตามศีลไปตามขนบตามธรรมเนียมตามประเพณีตามกรอบของกฎของระเบียบไม่ก้าวไม่ล่วงนี่เขาเรียกว่าเป็นมักอยากธรรมะ ตรงนี้เกิดขึ้นความอยากโดยกิเลสนั้นคืออยากปีนเกลียวกับศีลเช่นอย่างศีลห้าเนี่ยพระพุทธเจ้าอยากฆ่าสัตว์อยากฆ่าอยากลักทรัพย์อยากลัดอยากพระพูดผิดในกามเห็นรเรื่องธรรมดาสะดวกสบายทำงานมีผู้หญิงมีผู้ชายอยู่ข้างๆเป็นฝงๆองเงี้งยฝ่าฝืน ในเมื่อเราฝ่าฝืนแล้วโอกาสที่จะทําให้จิตดวงนั้นได้รับความสงบนี่ยากมากไม่มีศีลในเมื่อเรามีศีลแนบแน่นมั่นคงแล้วจิตของเราก็ไม่มีอะไรมาเ ก, ก่อควรให้จิตได้รับความสงบเพราะฉะนั้นท่านจึงว่าศีลเสริมสมาธิไม่ใช่ศีลกลายเป็นสมาธินะศีลจะช่วยส่งเสริมเป็นปัจจัยสนับสนุนสมาธิสมาธิเป็นปัจจัยสนับสนุนปัญญาปัญญา คือจิตที่ละเอียดลึกซึ้งลงไปเนื่องจากว่าใจมีกำลังจากความสงบนี้เองตราบใดใจไม่มีความสงบพิจารณาไปพิจารณาไ ป, กล า, ไปกลายเป็นสัญญาอารมณ์ทั้งหมดเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ของเราที่ท่านเน้นอ้าวศีล น, นะอ้าวสมาธินะอ้าวปัญญานะถูกต้องตามหลักอริยมรมิองแปดครบถ้วนสมบูรณ์บริบูรณ์เพราะฉะนั้นท่านจะใช้อุบายใดก็ตามพิจารณาจิตใ้รับความสงบ พระุทธเจ้าจะทรงตรัสไว้ก็ตามไม่ตรัสไว้ก็ตามท่านตรัสไว้ว่าสมถะคือความสงบทํายังไงท่านทําด้วยเรี่ยวแรงยังไงท่านถึงจะทําให้ใจได้รับความสงบนั่นถูกต้องตามนโะยบายของพระพุทธเจ้าแล้วไม่ต้องถามว่าเอ้พุทโธพุทธโธพระพุทธเจ้าตรัสไว้หรือเปล่าเอ้ไม่ใช่พุทธะพจทธไม่ใช่พุทธพจน์อยาฟังอย่าศึกษ า, อ ย, า อ, อย่าอบรมมันเพิ่มกําลังใจหรือมันตัดตัดถอนกาลังใจท่านดูเข้าไปสิเพิ่มกําลังใจหรือตัดทอนกาลังใจ อืท่านพิจารณายัางไงก็ตามเพื่อที่ท่านเห็นหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาอันเป็นกิริยาอาการของตัณหาในหัวใจของท่านที่มันออกมาเพ่นผ่านในหัวใจมายึดกายอมายึดเวทนามายึดสัญญามายึดสังขารแล้วกญญ็มายึดจิตมายึดกายของเรามายึดจิตของเราท่านพิจารณาให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาความเป็นไปในกายเป็นไปในใจของเรา พุทธาตรัสไว้ก็ตามไม่ตรัสไว้ก็ตามแต่เราทำถูกต้องแล้วเป็นอุบายให้ปัญญาเกิดอันนั้นแหละธรรมะจะพึ่งเกิดขึ้นเจริญขึ้นในหัวใจของเราครูบาอาจารย์ของเราท่านเจริญอยู่อย่างนี้สายป่าเราท่านมันไ ม, ไม่ไม่ต้องไปเรียนจบพระไตรไปิฎกท่านเรียนแค่พุโทโธคำเดียวพอเวลามันเป็นไปแล้วมันจะแตกฉานไปหมดจากจุดเล็กๆประกายเล็กๆถ้าเราจะเที่ยวกับเหมือนกับไฟแช็กนั่นแหละประกายเล็กๆเลยท่าสามารถไปเผาหมดสินค้าหมด หมดทั้งคลังนั่นแหะเผาบ้านหมดทั้งบ้านน่ะเผาก่อไม้ไผ่หมดทั้งกอนั่นแหละความสงบปัญญาเกิดขึ้นจากความสงบพิจารณาเพื่อ เ, เห็นหลักสัจจะทำก็เช่นเดียวกันจากจุดประกายเล็กๆอ้ออันนี้จังยับอนนี้จังอ้อทุกขงังอ้ออนัตตาเข้าใจลึกซึ้งละเอียดแล้วก็ยังเห็นได้ด้วยปัญญาด้วยปัญญายานของตัวเองสามารถทําให้ความรู้สึก ความโลภความโกรธในใจของเราหมดไปก็ถือว่าความหลงก็จะบรรเทาเบ า, บาบางไปด้วยนั่นคือความถูกต้องอนั่นคือความเป็นธรรมไม่ใช่ว่าเอออันนี้ไม่ได้อยู่ในกำมือของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ใบปดูลายไม่ใช่ใบปดูลายใบปะดูลา ย, า ย, ายทั้งนั้นพระสงฆ์สาวกท่านเข้าถึงธรรมธรรมะของพระพุทธเจ้าสามารถตัดความโลภความโกรธได้สะ ธรรมะของพระสาวกสามารถตัดความโลภความโกรธได้จึงเป็นธรรมะอย่างแท้จริงจึงเป็นธรรมะที่สามารถทำลายภพทำลายชาติเข้าถึงความบริสุทธิ์หมดจดพ้นทุกข์โดยชินเชิงได้เหมือนกันหมดนี่คือธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าอันนี้เป็นกุศล แต่พระสาวกไปพูดแย้งว่าเออไม่ใช่กุศลเป็นอกุศลแน่ไม่ใช่แล้วอันนี้พุทธิย้าตรรพามาเป็นอกุศลแต่พระสาวกไปไปพูดไปพูดขัดแย้งกับพุทธิยาวว้ า, ยยา ว, ว่าเป็นกุศลมันขัดแย้งกันพุทธิย้าทรงตรรพามาเป็นกุศลอย่างไงพระสาวกก็ว่าเป็นกุศลเพราะเห็นตามพระองค์ไปบางอย่างมันไม่ ม, ไ ม, ม, มีประจักษ์พยานพุทธเจ้าไม่ทรงตรัสเพราะฉะนั้น ท่านเอามาสอนแค่ใบไม้ในกำ ม, มือพวกเราก็เหลือแบกเหลือหามแล้วก็เหมือนอย่างภิกษุที่ไปไปหาพระธรรมกติกกับพระวินัยทอนั่นแหละเหลือแบกเหลือจําำไหนสุดจะศึกเห็นไหมเฮ้ยเราแค่ทำหมากินทําบุญให้ทานพอหาความสุขไปวันก็พอแล้วแหละพอลมบากเหลือเกินรักษาไม่หวัดไม่ไหวพระพุทธเจ้าท่านสอนเอาจิตดวงเดียวเห็นไหมจี้ไปตรงจุดเลยไหนสุดได้นี่คือความเป็นไปของพระธรรมวินยัยที่พระพุทธเจ้า บางก็ถือว่าเป็นการทำความเข้าใจบางประเด็นบางประการซึ่งเดี๋ยวนี้สังคมของเราเนี่ยมาแรงมากตรงนี้มาแรงมากตรงนี้พวกเราถ้าหากเราไม่เข้าใจเราก็หือหาไปตามเขาแล้วก็ทิ้งของดีของดีที่ครูบาอาจารย์ท่านปลูกฝังทำไมต้องติดครูติดอาจารย์ทำไมต้องติดบุคคลทาไมไม่ติดธรรมทาไมต้องยึดบุคคลทาไมไม่ยึดธรรม กอธรรมะมาสถิตที่บุคคลบุคคลศึกษาธรรมเข้าใจธรรมรู้เรื่องธรรมเราก็ต้องยึดบุคคลสิเหมือนอยงพวกเรายึดหลวงศาวหลวงปู่สาวหลวงปู่มั่นหลวงตานั่นแหละเดี๋ยวนี้เราไปอ้างไม่ได้นะระวังใครไปอ้างไม่ดีไปจนแต้มเขานะก็ตีแหลกเลยนะอภาษาพกภาษาวกเชื่อไม่ได้ฟังไม่ได้พุทธเจ้าไม่ได้พูดไว้ไม่ได้พูดไว้อืโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขายกตัวอย่างกลองเก่าๆของพวก กษัตริย์อกลองอาณกะของกษัตริย์พวกทศสารหะก็บอกว่าเป็นกลองศึกนะเวลาเขาเข้าไปศึกแล้วเขาตีตีตีกษัตริย์แล้วกษัตริย์เล่ากษัตริย์แล้วกษัตริย์เล่ากรองนั้นก็แตกเพเรื่อยแตกเพเรื่อยแตกตรงไหนเขาเอาลิ่มไปใส่ตรงนั้นแตกตรงไหนเขาเอาลิ่มไปใส่ตรงนั้นแต่เราปฏิเสธได้ไหมว่ากลองที่เอาลิ่มไปแทรกอยู่ทุกระยะนั้ยังสามารถทรงตัวเป็นกลองได้ ความรู้หลากหลายของพระสงฆ์สาวกในสมัยพุทธเจ้าก็ตามในสมัยพุทธเจ้าท่านล่วงไปแล้วมาจนถึงสมัยปัจจุบันก็ตามเป็นความรู้หลากหลายเหมือนลิ่มสลักที่เขาไปตีอัดแน่นในกลองนั่นแหละเราปฏิเสธได้ไหมว่าจะไม่เปลี่ยนรูปกลองยังเป็นรูปกลองอยู่ยังสามารถตีเป็นกลองรบกลองศึกได้อันนี้คืออุปมาหนึ่งเขามักจะยกมาเปรียบเทียบคําคที่พระสงฆ์สาวกพูด ไม่เหมือนคําของพระพุทธเจ้าพูดพระพุทธเจ้าท่านพูดไม่ผิดพระสงฆ์พระอริยสพระสาวกสามารถพูดผิดแต่ว่าผู้ที่ท่านเข้าถึงความจริงแล้วสัวจจะปรากฏโร่นในหัวใจของท่านราคะโทสะโมห oh ะหมดไปจากหัวใจของท่านรู้สึกว่าพระธรรมมายาวอยู่นะน่าจะสมพอสมควรเก็เวลาแล้วแหละ ใครตั้งปรารกความเพียรพุโทโธพุโทโธพุโทโธแล้วก็มาเกาะอยู่กับคำเทศคำพูดที่เป็นหลักธรรมะซึ่งเราก็ไม่ค่อยจะได้ยินได้ฟังหรอกนี่คงจะได้รับความสงบพอสมควรคงจะได้รับความอดความทนพอสมควรคงจะได้รับวิริยะอุสาหะพอสมควรคงจะได้เนื้อหาอัดรมเพื่อที่ไปไ ป, ปรับปรุง พอสมควรทางนี้รวมทั้งผู้กําลังบรรยายให้ฟังกําลังเทศให้ฟังรวมทั้งพวกเราทั้งหลายรวมทั้งพระเจ้าพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ที่ท่านเมตตาอยู่เป็นหมู่เป็นเพื่อนยังไม่ไปพักผ่อนก่อนพวกเราทั้งหลายเพื่อบูชาวันสําคัญวันที่เป็นสิริเป็นมงคลในวันพรุ่งนี้ที่จะเวียนมาบรรจบครบรอบของครูบาอาจารย์ลูกปู่บุญมีปริปุนโนของเรา เราถืออันนี้เป็นคติเป็นตัวอย่างเป็นเลิกงามยามดีและมาประกอบคุณงามความดีเข้ามาสู่หัวใจขอปปจ ง, เงเราครูบาอาจารย์ท่านก็เกิดเหมือนเราแต่ท่านเสียสละมาอยู่อย่างนี้ตั้งใจรักษาศีลยิ่งตั้งใจรักษาจิตยิ่งตั้งใจเจริญปัญญายิ่งด้วยบุญด้วยอาณิสงศ์ด้วยความตั้งอกตั้งใจที่พวกเราทั้งหลายเสียสละด้วยเรี่ยวแรง เสียสละด้วยกำลังซับมันออกรองทานเสียสละกำลังสติปัญญามาช่วยขวนขวายแล้วก็มาร่วมทุกระยะตั้งแต่กลางวันมาจนเดี๋ยวนี้และจะมีในวันพรุ่งนี้อีกย่อมมีผลย่อมมีอนิสง์ขอผลอานิสงส์ส่วนนี้จงตามอํานวยอวยชัยให้พรให้กับพวกเราทั้งหลาย ได้ประสบความสุขความเจริญด้วยศีลเจริญด้วยสมาธิเจริญด้วยปัญญาอมาพิจารณาให้ดวงตาเห็นธรรมได้อัดได้ทมตามอัตภาพแห่งตนแห่งตนโดยทั่วหน้ากันเถินอขอสมควรอิชชิตังปฏิตังตุมหังกิปเมวสมมิชตุสเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยธมณิโช ติระโสยถาสัพพีติโยวิวัชฌันตุสพโวโควินัสตุมาเตภวัตวันตรารโยสุขีทีคายุโกภะวะอภิวารธนาศีลิตสนิตจางุท ธ, ธาปจายิโนจัตาโรธรรมวัฒนติอายุวโนสุขังพลังภวะตุสัพพมังฆังรักขันตุสั พ, พเทวตาสัพพุทธานุภาเวนัทธาโสตีภวันตุเตภวะตุสัพพมังฆังรักขันตุสั พ, พเทวตา สัพพธรรมานุภาเวนะสัทธาโสถีพ a วันตุเตภวตุสัพพมังคังรักขันตุสุปเทวตาสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสถีพาวันตุเต